จเจริญพรญาติโยมทั้งหลายจะปีใหม่แล้วนะถึงเทศกาลส่งความสุขแล้วนะระวังเอาความสุขไปส่งไปหมดนะจริงๆความสุขหาไม่ยากแต่คนในโลกไม่มีความสุขนะเราเที่ยวสแสวงหาความสุขจากภายนอกนะความสุขจากข้างนอกต้องอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่น ก็ไม่มีสารภาพนะต้องพึ่งพาข้างนอกตลอดสิ่งภายนอกมันพึ่งไม่ได้จริงมันอยู่ชั่วคราวอย่างตอนเด็กๆเราพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งพ่อแม่ก็พึ่งได้ไม่นานต่อไปก็หมดไปมาพึ่งสามีพึ่งพรนยาพึ่งไม่ได้จริงบางทียังไม่ทันตายก็หมดไปก่อนแก่แล้วหวังพึ่งลูกพึ่งหลานส่วนมากลูกหลานมันมาพึ่งอีกที เราหาที่พึ่งที่อาศัยจริงๆไม่ค่อยได้นะชีวิตเราไม่มีความสุขที่แท้ จ, จริงคนถ้าไม่มีที่พึ่งนีไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้ขนาดพระพุทธเจ้าเองท่านอยางมีที่พึ่งตอนที่ท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านก็พิจารณาว่าท่านจะเอาใครเป็นที่พึ่งดีท่านมองไปทั่วโลกกธาตุไม่เห็นว่าจะมีใครเป็นที่พึ่งได้เลยนะ ท่านก็เลยเอาธรรมะเป็นที่พึ่งนะพวกเราตามหลังท่านมาเราก็มีท่านเป็นที่พึ่ง ม, to, มีพระ to, พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งยังไงเป็นที่พึ่งในแง่ที่สอนให้เรารู้จักพึ่งตัวเองถ้าเราพึ่งตัวเองไม่ได้เราจะพึ่งใครนะไม่มีใครเป็นพิธีพึ่งให้เราตลอดการหรอกนะเราจะพึ่งตัวเองได้ถ้าเรามีธรรมะ คนไม่มีธรร ม, มนะในใจจะหิวโหยจะขาดอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตไม่ได้เนิ่นก็ดิ้นรนไปเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะมีความสุขหวังว่าทำอย่างนี้แล้วจะสุขทำอย่างนี้แล้วจะสุขถ้าได้เจออย่างนี้ได้เจอคนนี้จะสุขได้พ้นจากคนนี้ได้พ้นจากสิ่งนี้แล้วจะสุขนะใจมันคอยคิดแต่เรื่องอย่างนี้เรื่อย มันหวังมาตั้งแต่เล็กๆนะจนกระทั่งแก่ตายไปมันก็ไม่เจอหรอกความสุขอย่างนั้นหลวงพ่อเมื่อก่อนก็เหมือนพวกเรานะเป็นคารวะตอนเด็กๆ ก, ก็เรียนหนังสือกาว่าเรียนจบแล้วจะมีความสุขเรียนจบแล้วไม่สุขเลยรู้สึกลำบากกว่าเก่าต้องไปทำงานนะหวังว่าทำงานตำแหน่งใหญ่ๆแล้วจะสุขไม่เห็นสุขเลยยิ่งเหนื่อยกว่าเก่าอีกนะเงินเดือนเยอะๆนะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาจะใช้ ก็ลำ บ, บ, บากไปอีกแบบหนึ่งแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเงินเดือนจะใช้อะนะรวมความแล้วมันหาความสุขจริงๆไม่ได้นะยังบุญบุญมากๆเลยใจมันชอบภาวนาชอบมาตั้งแต่เด็กๆเมื่อปีศนะูนย์ะอายุเจ็ดขวบท่านะพ่อโยมพ่อนะตอนนนุ่มพ่อก็เด็กๆแหละพาไปกราบครูบาอาจารย์ท่านพ่อหลีวัดอโศการาม ท่านพ่อรีเป็นพระที่ไม่พูดมากเหมือนหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อเจอใครก็เทศเทศเลยปวดถามโน่นถาม น, น, ามนี่ท่านพ่อรีเจอหน้าใครก็เอานั่งภาวนานั่งสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ย น, นับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองท่านสอนอย่างนี้นับไปถึงสิบนะค่อยลดลงมา 98, 76, 5, เก้าแปดเจ็ดหกห้ามือนปล่อยจรวดนะ <c oughs> แล้วก็หัดสมาธิหัดทุกวันทุกวัน หวังว่าวันหนึ่งนะมันจะดีใจมันลึกๆมันรู้สึกอย่างนี้ว่าหัดไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะดีนี่เราเด็กเกินไปนะไปเรียนจากท่านได้ไม่กี่ครั้งหรอกสองสามครั้งเองท่านก็สิ้นไปแล้นะอยู่ได้สองปีมั้งท่านสิ้นไปเราไม่มีครูบาอาจารย์จะสอนต่อลนะไม่สามารถจะขึ้นมีปัสนาได้ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแต่ทุกวันก็ทําแต่สมาธิทําสมถะเรืยหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปนะ ทั้อยู่อย่างนั้นเรื่อยๆมันเลยได้ความรู้มาอันหนึ่งนะว่าทําสมาธิไปเรื่อยๆไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาแต่สมาธินั่นเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานให้จิตใจพร้อมที่จะเจริญปัญญาถ้าเรามีปัญญาแลเราล้างความเห็นผิดไปได้ชีวิตมีความสงบสุขนะแล้วศัตรูร้ายเลยคือความไม่รู้ความโง่ของเราเองนี่แหละความไม่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตนี่แหละ ทําให้ชีวิตของเรายุ่งเหยิงหาความสุขไม่ได้นะเราเจริญปัญญาเราทําวิปัสสนาอนะไนั่นให้เกิดปัญญานะให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเข้าใจความเป็นจริงของร่างกายของจิตใจถ้าเข้าใจได้นะมีปัญญานะความทุกข์มันจะหายไปพระกิเลสมันจะหายไปตัวที่ล้างกิเลสได้เด็ดขาดจริงๆก็คือตัวปัญญานี้แหละนะแต่ว่าอยู่ๆจะมีปัญญาไม่ได้นะมันก็ต้องมี คุณธรรมเบื้องต้นมาก่อนนะเริ่มตั้งแต่ศีลนะเราละเลยไม่ได้ศนะัตรูที่ทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขก็คือกิเลสนั่นแหลนะกิเลสตัวหัวโจกเลยคือความไม่รู้คืออวิชชานะก่อนจะสู้ความไม่รู้สู้อวิชชาได้ต้องสู้กิเลสลูกน้องมันก่อนกิเลสหยาบหยากิเลสหยา บ, ยบๆยาพวกความโลภความโกรธความหลงอะไรพวกนี้ความโลภเกิดขึ้นนะมันก็ชวนให้เราผิดศีล เช่นเห็นสาวสวยนะทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เรามีเมียอยู่แล้วเราก็ยังอยากได้อีกเนะเรามีสามีอยู่แล้วก็อยากได้อีกนี่ความโลภมันเกนะิดเห็นของของคนอื่นเขานะอยากไดนะ้ได้โดยสุจริตก็ไม่ไหวก็ไปได้โดยไม่สุจริตนี่ก็ผิดศีลนะความโกรธเกิดขึ้นมานะมันครอบงาจิตได้นะมันก็ทำผิดศีลได้ โกรธเขาขึ้นมาก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขาไปใส่ร้ายป้ายสีเขาอะไรเงี้ยทำได้ตลอดนะเบียดเบียนคนอื่นได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายได้นะเพราะกิเลสนะอย่างเราเบียดเบียนสัตว์นะบางทีเบียดเบียนด้วยโลภะก็ได้เบียดเบียนด้วยโทสะก็ได้ใช่ไหมอย่างสมมติว่ามีแมวชอบมาขโมยของในบ้านเราเรามีโทสะดักตีหัวมันเนี่ยเบียดเบียนด้วยโทสะเห็นปลาอยู่ในน้ำนะน่ากินดีเนี่ย หาเหยื่อไปล่อทําเป็นใจบุญทําเป็นให้อาหารนะเอาเบ็ดซ่อนไว้ข้างไหนความจริงนี้ทําด้วยโลภะใช่ไหมแล้วกิเลสนั่นแหละทำให้เราทําผิดศีล น, นะราคะโทสะโมหะนั่นเลเป็นกิเลส ท, ที่หยาบหนะยาบนะกิเลสหยาบเนี่ยสู้ด้วยศีล น, นะใช้ศีลตั้งใจรักษาศีลไว้อย่างน้อยศีลห้านะจำเป็นศีลที่อยู่ในองค์มรรคไปดูให้ดีเถอะ ศีลข้อ1ถึงข้อ4นี่แหละตัวเด่นที่สุดข้อ5เป็นตัวสนับส น, นุนนะถ้ากินเหล้าเมายาอะไรนี่ขาดสติง่ายศีลนะข้ออื่นก็ผิดง่ายนะศีลจริงๆนะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ีนี่อย่าให้ผิดได้เชยนะข้อ5เลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะนะไม่ควรทําก็ทําแล้วขาดสติถ้าขาดสติสักอย่างเดียวนะก็ทําเรื่องเร็วๆอย่างอื่นได้ง่ายนะเรามีศีลเพื่อให้วิถีชีวิตของเราเนี่ย เรียบร้อยนะจิตใจมันก็สงบสุขง่ายรักษาศีลไว้นะชีวิตมันก็เรียบง่ายนะไม่วุ่นวายไม่ต้องคิดมากเรามีศีลไว้ราคาโทสะโมหะแรงๆเกิดขึ้นศีลเป็นตัวขม่มยังไม่ถึงตัวละนะแค่ข่มเอาไว้ก่อนไม่ให้ทำผิดทางกายทางวาจานะ ส่วนกิเลสที่ละเอียดขึ้นมาเป็นกิเลส ช, ชั้นกลางชื่อว่านิวร์นะเริ่มจากกรรมฉันทะความเพลิดเพลิน พ, พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายความพยาบาทนะความฟุ้งซ่านนะความหดหู่ความลังเลสงสัยเนะี่ยมีหลายตัวนะเราเป็นนิวร5์ตัวไปหาอ่านเอานะนิวร์นี้มันทำให้ใจเราฟุ้งซ่านนะใจเราไม่ตั้งมั่นใจเราไม่สงบ ใจเราไม่สงบได้เพราะกิเลสระดับกลางนี่แหละมายั่วะนะพอ ใ, ใจเราไม่สงบใจเราฟาร Bliss, ุ้งซ่านกิเลสกลางๆามายุ่เต็มที่แล้วนันใจเราไม่ตั้งมั่นแลกิเลสมันค่อยแรงขึง้นแรงขึง้นมันก็ไปทำผิดศีลได้นะนตัวสมาธิเนี่ยมันจะคอยควบคุมจิตใจของเราให้เป็นระเบียบตัวสามาธิเนี่ยมันจะควบคุมจิตใจของเราให้เป็นระเบียบตัวศีลเนี่ยมันควบคุมกายวาจาให้เป็นระเบียบนะ เนี่ยมันทํางานคนละแบบกันนะศีลควบคุมกายวาจาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสงบสมาธิควบคุมจิตใจนะไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปตามกิเลสด้วยความยินดียินร้ายทั้งหลายคล้ายๆมันอยู่เหนือความคิดจิตใจมีตั้งมั่นขึ้นมาเป็นตัวรู้สมาธิเนี่ยทำให้จิตใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นตัวรู้นะไม่จะอยู่เหนือตัวคิดตัวกิเลสนิวรทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตัวคิดเอาเช่นตัว กามาฉันทะนะั่นใจมันค่อยคิดผูกพันในกามตัวพยาบาทนะี่ไงใจมันไปคิดพยาบาทตัวฟุ้งซ่านใจก็คิดนะตัวหดหูใจก็คิดและคิดแล้วหดหูนะตัวลังเลสงสัยก็เกิดใจคิดอีกนะเฉะั้นถ้าเรามีสมาธินะใจเขาหลุดออกจากโลกของความคิดจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเนะี่ยมันจะส่งทอดไปสู่การเจริญปัญญาหลายคนทําสมาธิแล้วไม่มีตัวรู้ขึ้นมานะ สมาธิอย่างนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่สมาธิต้องฝึกจนกระทั่งเกิดความรู้สึกตัวใจตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างนี้ถึงจะเป็นสมาธิที่ดีถ้าสมาธิประเภทนิ่งๆแน่ๆนะไม่ค่อยกระดุดกระดิกอะไรไม่รู้เหนือรู้ใต้ลืมเนื้อลืมตัวสมาธิอย่างนั้นอย่าไปทำเลยเสียเวลาเป็นสมาธิที่เจือด้วยโมหะสมาธิที่เจือด้วยโลภะนะสมาธิที่ดีจิตใจตั้งมั่นไม่หลงไปในโลกของความคิดนี่แหละ นะหลดออกมาดูเนื้อรู้ตัวอยู่นะไม่คิดไปในกามไม่คิดไปในพยาบาทไม่คิดไปในเรื่องฟุ้งซ่านไม่คิดไปในเรื่องหดหูไม่คิดเรื่องอะไรที่วุ่นวายให้สงสัยพระ ร, รัตนตรัยนะใจสงสัยขึ้นมามีสติรู้ทันลงไปเนี่ยนะความฟุ้งซ่านความสงสัยอะไรทั้งหลายมันก็ดับใจก็ตั้งมั่นขึ้นมานะพอใจเราตั้งมั่นใจเราอยู่เดกกับเนื้อกับตัวมันก็ถึงขั้นของการเจริญปัญญา การเจริญปัญญานั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดการเจริญปัญญาทำไปเพื่อล้างความเห็นผิดนะก็ทำลายความเห็นผิดนะศีล ส, สมาธิปัญญาทำงานคนละแบบกันหมศีลเนี่ยช่วยจัดระเบียบกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติสมาธิช่วยจัดระเบียบจิตใจให้สงบให้ตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยอาศัยการจัดระเบียบกายวาจาใจขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็ามาเจริญปัญญาต่อบางทีส่วนมากพอจิตใจสงบแล้วไม่เดินปัญญาหนะลวงพ่อเองแหละเป็นเสียเวลาอยู่22ปีเพราะไม่รู้วิธีการนะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีจิตใจมันก็สงบมันก็สบายอยู่ยงั้นนะวันหลังฟุ้งซ่านอีกก็มาทําความสงบอีกนะทุกวันทําแต่ความสงบนะสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านวนเวียนอยู่แค่เนี้ย มันแก้ปัญหาได้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทาวร์ถ้าเราอยากแก้ปัญหาแก้กิเลสแก้กองทุกข์ได้อย่างทาวร์นะเราต้องเจริญปัญญาโดยมีศีลและสมาธิเป็นเบื้องต้นปัญญาจะลอยๆอยู่กลางอากาศไม่มีศีลไม่มีสมาธิเป็นเครื่องรองรับนี่ไม่ได้นะก็เราอยากเห็นผิดบางคนคิดว่าจเจริญปัญญาอย่างเดียวแล้วก็จะพ้นทุกข์พ้นกิเลสไม่พ้นหรอก กิเลสหยาบหยาบยังละไม่ได้เลยนะยังถูกกิเลสหยาบครับงำหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนหลวงพ่อคนหนึ่งเป็นคนมีปัญญามากนะเจริญปัญญาแชมชอบเรียนอภิธรรมแะเรียนจนจบเลยปริเฉษ ท, ที่9้าจบแลเก่งเรียนเก่งเรียนมากนะวันหนึ่งไปโกรธคนขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปตบเขาหลวงพ่อว่าเฮ้ยไปตบเพราไมออกตบด้วยจิตว่าง นี่พวกปัญญากลา้าตบก็ได้จิตว่างนะเนี่ยจิตมีกิเลสไม่เห็นนะสผิดศีลล้วไหมละเลยสิ่งเหล่านี้นะล้าเลยไม่ได้นะศีลก็ล้าเลยไม่ได้สมาธิก็ล้าเลยไม่ได้ถ้าละเลยแล้วอย่ามาพูดเรื่องเจริญปัญญาเลยปัญญาของเราจะกลายเป็นเครื่องมือสนองกิเลสเป็นหมดเลยนะอยากจะทําอะไรก็ทําได้อยากเป็นชู้กับเขาก็ได้เพราะในโลกนี้ไม่มีคนไม่มีสัตว์เราะงนั้นไม่มีใครเป็นชู้กับใครใช่ไหมสอนอย่างนี้ได้นะ มันมิจฉากที่ชัดชัดเลยเนี้นเรามาหัดฝึกพื้นฐานนะให้มีสีให้มีสมาธิขึ้นมาแล้วมาเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นมีขั้นตอนของการเจริญปัญญาขั้นแรกสุดก่อนที่จะเจริญปัญญาเราต้องรู้ก่อนว่าเจริญปัญญาเพื่ออะไรการเจริญปัญญานั้นเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะว่ามีตัวเราต่อไปขั้นต่อไปจะเป็นการเจริญปัญญา เพื่อทำลายความยึดถือว่ามีตัวเราขั้นแรกล้างความเห็นผิดนะขั้นสุดท้ายทำลายความยึดถือคนละขั้นกันบางทีไม่เห็นผิดแล้วอย่างพระโสดาบันไม่เห็นผิดแล้วแต่ยังยึดถืออยู่พระโสดาบันเห็นแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีแต่ยังรักกายรักใจอยู่รู้ว่ากายไี้ยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ยังรักอยู่ยังเสียดาย ยังอร ե ศอร่อยนะรู้สึกกายรู้สึกจิตเนี่ยนำความสุขมาให้ยังอร ե ศอร่อยกับสิ่งเหล่านี้อยู่นะมันมันมีสองขั้นนะขั้นต้นจเจริญตัญญาเนี่ยเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราขั้นปลายจเจริญตัญญาเนี่ยเพื่อทำลายความยึดถือนะในสิ่งซึ่งเคยเห็นผิดว่าเป็นตัวเรานะวิธีที่จะเจริญตัญญาเนี่ยขั้นแรกเลยเราต้องหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วน เราภาวนานะจะทําลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราเนี่ยเราต้องมาดูก่อนอะไรที่เราเรียกว่าตัวเรากายกระใจนะไอ้นี่ก้อนนี้เรียกว่าตัวเรานี่ทําไงจะทําลายความเห็นว่าเป็นตัวเราได้เราจะต้องจับมันถอดออกเป็นชิ้นๆถอดออกเป็นส่วนๆ ว, นะวิธีถอดออกไปเนี่ยนะเรียกวิธีนี้เรียกว่าวิพัชชวิธีวอลแวนสลีพอสำเพอไม่ทางอากาศช่อช้าง การเจริญตัญญาของเราเใช้วิพัชนวิธีจับแยกเหมือนอย่างเราเห็นว่ามีรถยนต์หนึ่งคันรถยนต์มีจริงๆเราเห็นอย่างนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นความเห็นผิดนะมันมีจริงมันมีโดยสมมุติแตม่มันไม่ใช่ของแทนะ้รถยนต์เป็นสิ่งที่ประกอบมาจากอะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยจานวนมากนะถ้าเราอยากเห็นความจริงนะเราลองดูซิอะไรเป็นรถยนต์นะ จับถอดเป็นชิ้นๆอะไลูกล้อเป็นรถยนต์ไหมลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมน็อตสกรูอะไรก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมพวงมาลัยเบาะตัวถังช่วงล่างนะเบรกคลัตช์เกียร์ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังถังน้ํามันอะไรก็ไม่ใช่รถยนต์กันชนไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมเนี่ยพอเราถอดสิ่งที่เรียกว่ารถยนต์ออกเป็นชิ้นๆชิ้นๆ น, น, นะเราพบว่ารถยนต์เป็นภาพลวงตา รถยน์ไม่ได้มีจริงหรอกมันมีขึ้นมาเพราะว่ามีอะไรจานวนมากมารวมกันอยู่แล้วเราเข้าไปหมายเราเข้าไปสำคัญว่านี่คือรถยนต์นะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็เหมือนกันสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นไม่มีจริงหรอกนะเราลองจับมาสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามาถอดออกเป็นชิน้นชะิ้นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่ง ความปรุงแต่งที่เป็นกุศลความปรุงแต่งที่เป็นอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนี ged. ถ้าเราแยกส Ag ิส่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเราจะเห็นความจริงร Lang ่างกายนะอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรานะถ้าเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ <anha> ่งแยกกันอยู่แล้วก็เราจะเห็นว่าเวทนาคือความสุขทุกข์ความเฉยๆทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัว <ọi S 1> เรา นะกูสนากูศลทั้งหลายเช่นความโลภความโกรดความหลงนะถ้ามันแยกออกไปจิตเป็นคนรู้คนดูจิตอยู่ต่างหากขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ากูศลและอากูศนทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเรานี่ตัวรู้ล่ะตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงนะตัวรู้เองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวเป็นตัวเพ่งนั้นตัวรู้เองก็เกิดดับเหมือนกันไม่ได้คงที่นี่เราเฝ้าดูลงไปนะร่างกายเวทนา กุศนะลกุศนะลความปรุงแต่งทั้งหลายเนะี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าทั้งสิ้นเลยตัวจิตเองก็เกิดดับเกิดดับไปไม่มีสิ่งที่เรียกว่า ต, วตัวตนถาวรเนะี่ยถ้าเราเข้าเข้าไปดูอย่างนี้เราแยกสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวเราเออกเป็นส่วนๆแล้วดูความจริงของแต่ละส่วนนั้นการที่เราเข้าไปเห็นความจริงของแต่ละส่วนของแต่ละสภาวะธรรมนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะ ก่อนจะขึ้นมีปสัสนาได้ต้องแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจเป็นส่วนๆก่อนพอแยกแล้วนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยมันจะมีปัญญาถ้าสติระลึกรู้กายจิตตั้งมั่นอยู่มันก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราสติระลึกรู้เวทนาจิตตั้งมั่นอยู่มันก็จะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราจิตมันตั้งมั่นอยู่นะแล้วสติระลึกรู้ เ, เห็นกิเลสโลภกรดลงอะไรเงี้ยจะเห็นทันทีเลยโลบกรดลงก็ไม่ใช่เรานะ สติระลึกรู้ทางจิตจิตเมื่อกี้เป็นอย่างนี้จิตเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้จิตเมื่อกี้เป็นอย่างนี้จิตเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยระลึกแล้วเลยลึกอีกเราก็จะเห็นเลยจิตก็ไม่คงที่นะจิตก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีสิ่งที่เที่ยงนะถ้าใครเห็นว่าจิตเที่ยงคนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินะยังไม่ใช่ชาวพุทธหรอกยังเห็นจิตเที่ยงเห็นจิตเที่ยงนี่พวกศาสนาที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเขาเห็นกันนะ พระวจีเจ้าเลยมาสอนว่ามันไม่เที่ยงหรอกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดเป็นทุกข์คือเกิดขึ้นมาแล้วทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัว ต, วตวนถาวร น, นะอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยแต่แปลว่าไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตวนถาวร น, นะเพราะสติมัน ร, รูร้รูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณนะจิตเป็นคนรู้คนดูจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสมาธิรองรับอยู่ ก็จะเห็นทันทีเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นไม่ใช่ตัวเรามีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับการที่เข้าไปเห็นสภาวะแต่ละอันแต่ละอั น, แ, อนแสดงความเป็นไตรลักษ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเลยนี่แหละเรียกว่าการทาวิปัสสนานะวิปัสสนาคือการเห็นความจริงอย่างวิเศษเลยนะเห็นอย่างถ่องแท้ว่ามันเป็นไตรลักษ์เนะนี่ยการปฏิบัตินะมันก็เริ่มต้นตั้งแต่มีศีลนะ มีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาค่อยๆอบร ม, มขึ้นมานศะีลก็ลางกิเลสข่มกิเลสหยับหยบับสมาธิก็ข่มกิเลสระดับกลางปัญญาจะไปข่มความเห็นผิดทํำลายความเห็นผิดซึ่งเป็นรากเหงา้าต้นต่อของกิเลสหยับหยับทั้งหลายทั้งปวงนะถ้าใจเราถอดถอ น, ถ อ, นออกไปแล้วกิเลสไม่มาปรุงแต่งจิตใจได้จิตใจก็ไม่ไปปรุงแต่งกิเลสด้วยนะพ้นจากกิเลสสิ้นเชิงนะั้นชีวิตจะมีความสุขที่สุดเลย ไม่มีอะไรเหมือนนะจะมีความสุขที่สุดถึงร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายคนจะรักคนจะเกลียดคนจะดา่าคนจะชมจิตใจเราก็มีความสุขอยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะเรามีโอกาสทุกคนนะธรรมะอันนี้เป็นของกลางไม่ใช่ของพระอย่างเดียวหรอกนะธรรมะเป็นของกลางถ้าพวกเราศึกษานะเราพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมา ถึงวันหนึ่งจิตมันปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้มันเห็นทั้งกายทั้งใจมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันปล่อยมันไม่ยึดถือแล้วนี่มันจะมีความสุขที่สุดเลยมีอิสรภาพจิตหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจยึดถือรูปหรือยึดถือนามเรียกว่าเข้าถึงวิมุตต์ความหลุดพ้นจิตใจจะเห็นนิพพานนิพพานมีอยู่แล้วนิพพานมีอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่จิตที่หลงอยู่กับความปรุงแต่งไม่เคยเห็น นะนิพพานมีอยู่ต่อหน้าเรานี่นะเราไม่เห็นเองล่ะนะเมื่อปี26นะหลวงปู่ดูลยังไม่สิ้นตอนนั้นใกล้จะสิ้นแล้วหลวงพ่อเคยถามท่านว่าถ้าท่านสิ้นแล้วมีองค์ไหนสอนต่อจากท่านจนะให้หลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์องค์ไหนต่อท่านบอกให้ไปเรียนกับหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมท ร, รมทตีโปนะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูล์ กิมเป็นภาษาเขมรไม่ใช่แปลว่าทองภาษาจีนนะเราได้ยินกิมเราก็นึกว่าทองลนะไปหาหลวงพ่อกิมครั้งแรกปีสองเจ็ดนะหลวงพ่อกิมชี้ให้หลวงพ่อดูท่านบอกว่าประโมดเห็นสุญญาตาในไม้ไหมเนี่ยท่านถามอย่างนี้นะประโมดเห็นสุญญาตาในพื้นไหมเนียประโมดเห็นสุญญาตาในอากาศข้างหน้านี้ไหมสุญญาตาตัวนี้คือตัวนิพพานนั่นเองนิพพานนี่มีอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้ว แต่พวกเราไปแปลสุญญตาให้ผิดนะไปแปลเป็นว่างๆว่างๆเป็นช่องว่างช่องว่างไม่ใช่ชื่อสุญญตาช่องว่างชื่ออากาศสานะอากาศเรียกว่าช่องว่างส่วนตัวสุญญตาแท้ๆคือตัวนิพพานนะแต่โดยภาษามีหลายภาษามันว่างจากอะไรว่างจากความเป็นตัวเป็นตนว่างจากทุกข์ว่างจากกิเลสแต่ไม่ว่างจากนิพพานนะนิพพานมีอยู่จริงๆนิพพานไม่เคยหาย งั้นถ้าเราพาวนาเราจะเห็นนั้นจริงๆอยู่ต่อหน้าต่อตาเราตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนเลยแต่ใจของเรานี่แหละไม่คู่ควรที่จะเห็นนิพพานแต่เราหลงกับความปรุงแต่งหลงกับกิเลสหลงอยู่ในกองทุกข์หลงยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยไม่เห็นนิพพานถ้าเมื่อไร่ใจเราหมดกิเลสนะเราก็จะเห็นนิพพานเมื่อไรใจหมดความดิ้นรนเราก็จะเห็นนิพพานนะงั้นไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกงั้นเราค่อยๆพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมา นี่ถ้าเราจะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาจะทํำยังไงดีตรงนี้เป็นวิธีที่จะลงมือทําล้นะหลวงพ่อขอยกตัวอย่างกรรมฐ า, านอันหนึ่งก็คือการดูจิตถ้าเราดูจิตเป็นนะเราจะมีทั้งศีลสร้างสมาธิทั้งปัญญานะทําอันเดียวนี่แหละได้หมดเลยนะแต่ต้องทําให้เป็นนะทำยากเหมือนกันแหละขั้นแรกเลยเราหัดรู้จักจิตใจของตัวเองก่อนนะศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ได้เกิดลอยๆอยอยู่ในอากาศหรอกนะ มันอยู่ที่จิตที่ใจเหล่านี้แหละต้องให้พัฒนาขึ้นมาที่จิตที่ใจของเราคุณงามความดีกุศลทั้งหลายเกิดที่จิตเหล่านี้แหละไม่ได้ไปเกิดที่ร่างกายหรือเกิดที่อื่นนะเพราะเราเรียนถ้าเรียนเอาให้เร็วๆนะเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองขั้นแรกเลยหัดสังเกตสภาวะาไปเรื่ยๆจิตมันโลภขึ้นมาคอยรู้ทันจิตมันโกรธขึ้นมาคอยรู้ทันจิตมันหลงไปละคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปก็รู้ว่ามันหลงไปคิด จิตฟุ้งซ่าน ร, รู้ว่ามันกํนาลังฟุ้งซ่านอยู่จิตหดหูรู้ว่ามันหดหู่อยู่จิตเป็นสุครู้ว่ามันเป็นสุขอยู่นะจิตเป็นทุกรู้ว่ามันเป็นทุกข์อยู่จิตเฉยเฉยรู้ว่าจิตเฉยเฉยนะหัดรู้ทันสภาวะของจิตใจไปเรื่อยๆอย่าไปคาดหวังว่าจะรู้ไปถึงเมื่อไหร่รู้แล้วจะได้อะไรหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะตอนนี้มีคนที่ฟังหลวงพ่อฟังด้วยต่อหน้าต่อตาแบบนี้บ้างฟังจากซีดีบ้างคนฟนังจากซีดีก็เยอะนะ เมื่อวันจันหลวงพ่อไปเทศที่สระบุรนะีมีคนที่อยู่ทางโน้นนะบางคนไม่เคยมาฟังที่นี่นะไม่เคยเจอหลวงพ่อด้ฟังแต่ซีดีนะเขาฟังได้ได้ยินว่าให้หัดรู้สภาวะรู้สภาวะเขาก็หัดดูสภาวะไปนะอะไรเกิดขึ้นในใจเขาคอยรู้เรื่อยๆนะคอยรู้ไปบลบโกรดหลงฟุ้งซ่านหดหู่สุขทุกข์อะไรเงี้ยดีใจเสียใจยินดียินร้ายอะไรๆไรเกิดขึ้นในใจิตในใจเขาคอยดูเรื่อยๆ ถ้ากดจิตของเขาตื่นขึ้นมาจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้มานะอันนี้เขาได้สมาธิแล้วนะได้สมาธิแล้วทัศน์าานั้นคือขั้นเจริญปัญญานะนี่เราหัดดูสภาวะบ่อยๆต่อไปเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตของเราแม้แต่นิดเดียวสติจ ะ, ะระลึกได้เองเราต้องฝึกจนสติเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติถึงจะเรียกว่าใช้ได้ ถ้าสติยังไม่อัตโนมัตินะหัดดูสภาวะไปเรื่อยมันโลภแล้วก็รู้รู้บ้างหลงบ้างนะมันไม่ได้รู้ตลอดเวลาหรอกนะเราเคยชินที่จะหลงมันหลงตลอดวันนะส่วนใหญ่นานๆรู้ทีหนึ่งนะวิธีที่จะช่วยให้เรารู้ได้บ่อยๆนะคือหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งเรียกว่าวิหารธรรมนะหาวิหารธรรมมาสักอันหนึ่งอาจจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้นะอยู่กับท้องพองยุบก็ได้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ เดินจงกมรมแล้วเห็นร่างกายเดินก็ได้นะยืนเดินนั่งนอนแล้ว เ, เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆก็ได้หัดรู้สภาวะอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็คอยรู้ทันจิตไว้นะคอยรู้ทันจิตเป็นตัวหลักนะเอามิหารธรรมเอาเครื่องอยู่นี้เป็นแบ็กกราวเป็นพื้นหลังเท่า น, นั้นเองเป็นฉากหลังนะเช่นเราคอยพุโทโธพุโทโธไปนะแล้วจิตมันหนีไปคิดเราก็รู้ทันว่าจิตลงไปคิดแล้วนี่คือการหัดรู้สภาวะ กนะ็จิตหลงไปคิดหน้าตาเป็นอย่างนี้เองมาพุทโธพุทโธอีกหลงไปคิดเท่านี้ไม่ทันรู้ทันหลงไปคิดเรื่องนี้แล้วเกิดความโลภมีสติเราไปรู้ทันอีกหรือโอ้นี่โลภเกิดขึ้นแล้ว น, ะนี่จิตจําสภาวะของความโลภได้ตอไปความโลภเกิดนะสติก็เกิดเองบางทีหลงไปคิดแล้วก็รู้ไม่ทันในความโกรธเกิดขึ้นแลนะเกิดรู้ทันว่าจิตกําลังโกรธอยู่เอาความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้เองนะจิตจํำสภาวะของความโกรธได้แม่น ต่อไปพอจิตมันโกรธขึ้นมานะสติระลึกได้เองว่าอ้าวโกรธไปแล้วไม่ได้เจตนารู้เลยนะมันรู้เองอ้าวโกรธไปแล้วนี่โลภไปแล้วนี่หลงไปแล้วนี่ฟุ้งซ่านไปแล้วหดหู่ไปแล้วดีใจเสียใจสุขทุกข์เฉยเฉยไปแล้วนะเฝ้ารู้อย่างนี้เรื่อยๆหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิตแล้วคอยรู้ทันจิตนะเหมือนเป็นบ้านเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับบ้านมากกว่าเจ้าของบ้านจิตคือเจ้าของบ้านนะ เมื่เราจะอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้หายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันหายใจไปแล้วจิตมีปีติรู้ทันหายใจแล้วจิตเป็นสุกรู้ทันหายใจแล้วจิตสงบมีวเบกขารู้ทันหายใจแล้วไม่ยอมสงบเลยฟุ้งลูกเดียวเลยก็รู้ทันหัดรู้อย่างนี้เรียกว่าหัดรู้สภาวะนะต่อไปสติเกิดขึ้นมานิ่พัาสติเกิดเองแล้วต่อไปกิเลสมันเกิดอีกสติมันเห็นได้เอง ทันทีที่สติมันไปเห็นเองนะกิเลสมันจะหายไปแนละ้วมันจะครอบงําจิตไม่ได้นะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเลยสอนสอนดีมากหลวงปู่ทาณนะอยู่วัดถ้ำซับมืดเนี่ยท่านสิ้นไปแนละ้วหลวงปู่ทานะเจอท่านทีไรท่านพูดนิดเดียวบอกมีสติรักษาจิตมีสติรักษาจิตนะท่านไม่ได้บอกให้เรารักษาจิตนะท่านให้มีสติแล้วสตินั่นแหละรักษาจิตหมายถึงว่าพอกิเลสใดๆเกิดขึ้นที่จิตเรามีสติรู้ทันนะีกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้ เมื่อกิเลสครอบงาจิตไม่ได้เราจะผิดศีลได้ไหมเราจะผิดศีลไม่ได้จังไหมนะคนทั่วท่วไปถือศีลอย่างยากลําบากรู้สึกศีลเป็นของถือยากร่าไรเพราะไม่มีสติแต่ถ้าเราฝึกนะตามรู้จิตรู้ใจตัวเองไปรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นจนมันรู้อัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยการรักษาศีลไม่ใช่ของยากอีกต่อไปแล้วนะเช่นใจอยากคุยฟุ้งซ่านสังเกตไหมพูดมากเนี่ยเป็นศีลที่ด่งพร้อยง่ายที่สุดรู้สึกไหมพูดเพ้อเจ้อ ศีลด่างพลอยง่ายที่สุดเลยเพราะเรารู้สึกไม่มีโทษเท่าไหร่พูดได้สนุกดีนะแต่พอต่อไปเราสติเราเร็วนะเราเห็นจิตอยากพูดเพ้อเจ้อเราเห็นละความอยากนั้นดับไปนะเราก็ไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วนี่เป็นตัวอย่างนะความโกรธเกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันความโกรธครอบงําจิตไม่ได้เราก็ไม่ด่าใครไม่ตีใครไม่ไม่ไมปส่อเสียดใครไม่ทําร้ายใครไม่ฆ่าใครเห็นไหมเราคอยรู้ทันนะมีสตินี่แหละสติรักษาจิตให้มีศีลขึ้นมานะ นิดพอเราค่อยรู้ทันบ่อยๆนะต่อไปอนนี้จิตจะค่อยตั้งมั่นกิเลสนั่นแหละเป็นตัวลากให้จิตมันไหลไปนะถ้ากิเลสหยาบๆนะมันจะขึ้นมาครอบงําจิตแล้วทําให้ผิดศีลถ้ากิเลสยังไม่หยาบกิเลสมันละเอียดขึ้นมาเรียกว่านิวรณ์นะเ ช, ช่นกามฉันทะนิวรณ์เกิดขึ้นจิตมันอาลัยอาวร์ในความสุขทางโลกโลกขึ้นมาหรือพยาบาทเกิดขึ้นนะจิตมันคอยคิดคอยปรุงแต่เรื่องไม่ดีเขาว่าเราเมื่อยี่สิปีก่อนนะเรายังเจ็บไม่หายเนี่ย เพราะใจมีพยาบาทนะถ้าเรามีสติรู้ทันนิวรณ์ที่กาลังปรากฏอยู่นิวรณ์จะดับไปนะเมื่อใดนิวรณ์ดับไปเมื่อนั้นจิตตั้งมั่นโดยอัตโนมัติสมาธิเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะถ้าเรามีสติรู้ทันจิตเรื่อยๆนะจะเกิดศีลอัตโนมัตินะแล้วก็รู้ทันลงไปอีกนะถ้านิวรณ์กิเลส ล, ละเอียดละเอียดไนะหนผุดขึ้นมาเรารู้ทันรู้ทันรู้ทันไปเรื่อยนะกิเลสพวกนี้ลากจิตให้วิ่งไปไม่ได้ กิเลสนิวร์นี้มันจะทําหน้าที่คอยมายั่วยั่วยวนนะจนกระทั่งกลายเป็นกิเลสหยาบหยาบากเอาจิตกระเจิงกระเจิงไปแต่ถ้าเรารู้ตั้งแต่มันยังตัวเล็กๆนี่มันลากมาไปไม่ได้นะจิตใจก็สงบสิใช่ไหมจิตไม่ถูกมันลากให้ไปคิดในเรื่องกามไม่ถูกให้มันลากไปคิดในเรื่องที่พยายาบาทไม่ลากไปคิดฟุง้งซ่านไม่ลากไปคิดบดหูไม่ลากไปคิดเรื่องธรรมะแล้วก็สงสัยอยู่ยนั่นแหละไม่ยอมดูนะ เมืจิตไม่ถูกกิเลสลากเข้าไปไม่ถูกนิวรณ์ลากเข้าไปจิตก็สงบสิจิตก็ตั้งมั่นเห็นไหมดูจิตแล้วมีสมาธิขึ้นมาเมื่อปี25นะป ล, ป, ลปลายปลายปีหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลเป็นครั้งที่3นะครั้งที่3ามแครั้งที่1เนะี่ยไปช่วงเดินมาคะนะช่วงมาคาบูชาใกล้ๆมาคาบูชาครั้งที่สองไปช่วงใกล้ๆวิสาขะนะแล้วครั้งที่3เนะี่ยหลังจะออกพรรษาแล้วไปนะได้ส่งกันบ้านทัน ไปส่งรายงานท่านว่าดูจิตแล้วอยิ่งงยิ่งท่านก็บอกว่าจิตตรงนี้เข้าสมาธินะจิตเป็นสมาธิตอนนั้นหลวงพ่อเขาไปบอกท่านนะว่าเออหลวงปู่ผมไม่ได้นั่งสมาธินะผมดูจิตอยู่เฉยๆทําไมหลวงปู่ว่าเข้าสมาธิ mm hmm. เราลูกศิษย์ชั้นดีนะครูบาอาจารย์บอกอะไรเรายังสงสัยเรายังไม่ไม่เชื่อทีเดียวเราฟังแต่ไม่เชื่อชาวพุทธต้องหัดนิสัยใหม่นะทุกวันนี้เราเน้นเรื่องเชื่อฟัง อย่าเชื่อง่ายเชื่อง่ายไม่ใช่ชาวพุทธแต่ต้องฟังนะฟังแล้วพิจารณาฟังแล้วใคร่ครวนฟังแล้วตรวจสอบนะเห็นจริงแล้วถึงจะเชื่องั้นหลวงปู่สอนหลวงพ่อนะบอกว่าถ้าจิตมันทําสมาธิหลวงพ่อก็ยังสงสัยอยู่กลับเรียนถามท่านหลวงปู่ผมไม่ได้นั่งสมาธินะผมดูจิตอยู่หลวงปู่บอกว่าการดูจิตนั้นจะได้สมาธิอัตโนมัตินะโอ้ท่านว่าอย่างนี้นะน้อมรับมาเดี๋ยวมาดูว่าจริงไม่จริงนะ ท่านว่าอย่างนี้เราก็ฟังไม่เถียงนะไม่ใช่เถียงไม่จริงหรอกครับเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์เลยแล้วดันไปบอกว่าไม่จริงโง่อย่างนั้นโง่ะนะก่อนจะบอกว่าจริงหรือไม่จริงต้องพิสูจน์ก่อนอย่างทุกวันนี้ข่าวลือเยอะนะชอบลือว่าคนนั้นเป็นพระอรหันต์เนี่ยคนนี้อรหันต์หลวงพ่อประโมทก็อรหันต์เนี่ยอันไปเห็นมาเชื่อก็โง่แล้วนะถ้าเชื่อก็โง่แล้วถ้าไม่เชื่อแล้วก็ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกอันนี้ก็โง่อีกแบบหนึ่งเห็นไหมต้อง ต้องดูใช่ไหมต้องตรวจสอบต้องพิสูจน์นะเนี่ยเราแต่ละคนอย่าเชื่อง่ายนะนี่หลวงพ่อก็มาดูดูผ่านมาฝึกมาเรื่อยๆอ๋อเราดูจิตดูใจเนี่ยมันพลิกไปพลิกมานะระหว่างการเดินปัญญา ก, การทําสมาธิถ้าเมื่อไหร่จิตไปจับอารมณ์อันเดียวไว้แล้วก็นิ่งหยุดอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั้นนะในความสงบในความว่างในความไม่มีอะไรอันนั้นคือการทําสมาธิด้วยการดูจิตนะ หรืออย่างเรารู้ทันกิเลสรู้ทันนิวรณ์ที่มาย้อมจิตพอรู้ทันนะกิเลสนิวรณ์ดับไปเนี่ยจิตสงบจิตตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นโดยอัตโนมัตินี่ดูจิตก็ได้สมาธิจริงๆอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกใช่ไหมท่านบอกไม่ผิดท่านบอกถูกแต่ตอนที่ท่านบอกเรายัางรู้ไม่ถึงนะเราก็มาฝึกเอาไม่ใช่รู้ไม่ถึงก็เตียงไว้ก่อนแล้วก็ไม่ลองทำในนั้นใช้ไม่ได้นะนี่ดูจิตนะกิเลสหยาบครอบงําจิตไม่ได้ก็มีศีล ดูจิตนั้นิวรณ์เกิดขึ้นรู้ธรรมนิวรณ์สลายไปจิตก็ตั้งมั่นมีสมาธิเรามาดูจิตต่อไปให้เกิดปัญญาทําได้ไหมทําได้เราจะเห็นว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นจิตดวงหนึ่งดับไปอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนจิตนี้ไม่คงที่เลยจิตนี้แต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับจิตไม่ได้มีดวงเดียวมิจฉาทิฏฐิจะเห็นว่าจิตมีดวงเดียวแล้วก็เที่ยงคงที่ถาวรจิตนี้คือตัวเราเป็นอัตตาตัวตนถาวร แต่ถ้าเราหาดมีสติรู้ทันจิตเรื่อยๆเราจะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงหรอกจิตบางดวงมีความสุขจิตบางดวงมีความทุกข์จิตบางดวงเฉยๆจิตบางดวงเป็นกูศลจิตบางดวงเป็นมีกิเลสนะคนละดวงกันจิตที่เป็นกูศลก็อย่างหนึ่งจิตที่มีกิเลสก็อย่างหนึ่งจิตที่เป็นกูศลก็ยังมีหลายแบบเป็นกูศลเฉยๆเป็นกูศนธรรมดาหรือเป็นกูศลที่ประกอบด้วยสติปัญญา มีสติอย่างเดียวหรือมีสติและปัญญาเนี่ยจิตที่เป็นกุศลก็ยังมี2แบบนะจิตที่เป็นอกุศลก็มีหลายแบบมันจิตที่โลภก็เป็นแบบหนึ่งจิตที่โกรธก็เป็นแบบหนึ่งจิตที่หลงก็เป็นแบบหนึ่งนะแล้วจิตที่หลงเนี่มีความพิเศษนะจิตอกุศลทั้งหมดจะเป็นจิตที่หลงนะจิตจะโกรธได้ก็ต้องหลงด้วยจิตจะโลภได้ก็ต้องหลงด้วยเพราะฉะนั้นความโกรธและความโลภไม่เกิดเดี่ยวๆจะต้องเกิดร่วมกับความหลงเกิดร่วมกับโมหะเสมอนะ นีบางทีจิตมีโมะหะเฉยๆฟุง้งซ่านเฉยๆยังไม่โลภไม่โกรธบางทีลังเลสงสัยอยู่ยังไม่โลภไม่โกรธนะบางทีมีโมะหะขึ้นมานะแล้วก็โลภแล้วก็โกรธนะไม่แน่แต่ละดวงแต่ละดวงไม่เหมือนกันเนี่ยเราค่อยเฝ้ารู้ลงไปนะจิตที่มีความสุขมันก็แบบหนึ่งจิตที่มีความทุกข์มันก็แบบหนึ่งจิตที่เฉยๆก็แบบหนึ่งจิตที่มีปัญญาก็แบบหนึ่งจิตที่ไม่มีปัญญานะมีแต่ความรู้สึกตัวอยู่เฉยๆก็แบบหนึ่งนะ จิตที่โลภจิตที่โกรธจิตที่หลงจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่หดหูจิตที่รังเลสงสัยแต่ละอันแต่ละอันคนละแบบกันทั้งนั้นเลยจิตที่กลัวกับจิตที่อิจฉาเหมือนกันไหมอกลัวก็เป็นโทสะเหมือนกันนะอิจฉาก็เป็นโทสะแต่เห็นไหมไม่เหมือนกันยมีสไตล์ที่แยกออกไปมีรูปแบบย่อยๆออกไปอีกนะเพราะะนั้นกิเลสนานาชนิดนะก็อยู่กับจิตนานาชนิดเราเห็นลงไป ความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในจิตแต่ละดวงไม่เหมือนกันจิตที่ไปกุศลจิตที่ไปอกุศลแต่ละดวงไม่เหมือนกันดูจากอายตนะก็ได้จิตที่ไปดูกับจิตที่ไปฟังก็ไม่เหมือนกันจิตที่ไปดูจิตที่ไปฟังกับจิตที่ไปคิดก็ไม่เหมือนกันเนี่ยดูอย่างนี้นะเราจะเห็นว่าจิตแต่ละดวงแต่ละดวงไม่เหมือนกันเนี่วิธีดูจิตที่จะให้เกิดปัญญาคือดูให้เห็นเลยจิตแต่ละดวงแต่ละดวงไม่เหมือนกันหรอก พอเราเห็นว่าจิตแต่ละดวงไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยต่อไปปัญญามันจะเกิดละมันจะเห็นว่าโอ้จิตที่โลภอยู่ช่วคราวแล้วก็หายไปนะกลายเป็นจิตเฉยเฉยจิตเฉยเฉยอยู่ช่วคราวแล้วก็กลายเป็นจิตที่โกรธจิตที่โกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเกิดเฉยเฉยอีกละอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วจะเห็นเลยจิตนี้เกิดดับอยู่เรื่อยๆหรือบางทีจิตก็เกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่ใจเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นนะเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เรื่อย เราจะเห็นว่าจิตแต่ละดวงเกิดแล้วดับจิตแต่ละดวงเกิดแล้วดับไม่ใช่ดวงเดียวกันนะเห็นอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกเราจะรู้เลยว่าจิตทุกชนิดทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลเกิดแล้วดับทั้งสิ้นการที่เห็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลเกิดแล้วดับทั้งสิ้นมันจะไม่ได้รู้แค่จิตมันจะรู้สิ่งที่ประกอบจิตด้วยนะคือเจตสิกความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเราก็จะเห็นด้วยว่ามันเกิดดับไปพร้อมๆกับจิตนั่นแหละนี่เราจะเห็นทุกอย่างเลยมาเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ นะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วนะทั้งรู้ทั้งไม่รู้นี่เกิดระดับหมดเลยการที่เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยวันหนึ่งจิตเกิดปัญญาขึ้นมามันรู้เลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานะโดยการที่เราเรียนรู้จิตนี่แหละเป็นตัวหลักนะ กคำจริงเรียนอย่างอื่นก็ได้ดูกายดูเวทนาอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้นะแต่วันนี้พูดเรื่องการดูจิตมาตั้งแต่เรื่องดูจิตให้เกิดศีลดูจิตจนเกิดสมาธินี่ดูจิตจนเกิดปัญญาก็ เ, าเห็นจิตก็เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยในสุดปัญญามันเกิดสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรละสักยัตทิฏฐิละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ถละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้นี่มันจะละมิจฉาทิฏฐิอื่นๆขาดไปด้วยนะ อย่างเราคิดว่าทุกวันนี้เรามีตัวมีตนนีแต่บางคนคิดว่าตัวตอนนี้นะลอยๆเกิดขึ้นมาอย่างนี้ไม่มีเหตุหรอกนะก็พ่อแม่ผสมพันธุ์กันขึ้นมาก็เกิดอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งนะความจริงมันมีเหตุกว่าที่เราจะมาเป็นอย่างนี้ได้ทั้งกายทั้งใจได้มีเหตุทั้งสิ้นไม่ใช่ไม่มีเหตุนะไม่ใช่ลอยๆมาโดยไม่มีเหตุหรืออนาคตข้างหน้านะบางคนคิดว่าเดี๋ยวนี้มีอยู่แต่ข้างหน้าศูนย์ ข้างหน้าขาดศูนย์นี่ก็มิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งบางคนคิดว่าเดี๋ยวนี้มีอยู่แต่ข้างหน้าก็ยังมีอยู่อีกนี่ก็มิจฉาทิฏฐิเห็นว่าเที่ยงนะเนี่ยมิจฉาทิฏฐิมีเยอะแยะเลยหรือบางคนก็มีมิจฉาทิฏฐิว่าทุกอย่างมันฟลุกฟุกไม่มีการกระทําไม่ต้องทําหรอกบุญบาปอะไรไม่ต้องทําวิปัสนาก็ไม่ทําสมถะก็ไม่ต้องทํานะวันหนึ่งมันดีไปเองดีเป็นเองหมามันก็ดีได้สินะไม่เห็นมันบนรรลุมรรคผลอะไรเลยต้องลงมือนะไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลย นะไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมนี่พวกมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นเลยนะถ้าเป็นพระโสดาบันีรจะละได้หมดเลยนะพวกนี้มันป็นละตัวต้นต่อได้ลราเห็นว่าจริงๆตัวเราไม่มีมีแต่สิ่งซึ่งถ้ามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุเห็นอย่างนี้แหละที่ได้ล้างมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายไปนะนี่เราค่อยฝึกนะาฝึกไปมีสติรู้ทันสภาวะในจิตเรื่อยๆนะศีล ส, สมาธิปัญญาจะเกิดถึงว่านหนึ่งวีมุตจะเกิดนะนี่วิธี ปฏิบัตินะอย่างอื่นก็ยังทําได้นะวิธีปฏิบัติมีหลายอย่างไม่ใช่มีแค่ดูจิตอย่างเดียวหรอกนะแต่ดูจิตมันเป็นวิธีที่ง่ายๆเหมาะกับคนในเมืองคนซึ่งไม่มีเวลาทําสมาธินานๆนะอาศัยดูลงไปดูลงไปเนี่ยสงบเป็นครั้งคราวแต่ต้องถ้าอยากดีต้องแบ่งเวลาทําในรูปแบบนะนั่งสมาธิเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์ยาละเลยทําทุกวันแล้วจิตจะมีแรงถ้าไม่ทําเลยจิตจะไม่มีแรงจะดูไม่ได้จริงหรอกดูไม่รู้เรื่องจริงหรอกนะ วันนี้เอาเท่านี้ก็พอมันะ้งยากไปไหมเห็นว่าไหนๆก็จะสิ้นปีแล้วก็สอนอะไรให้มันยากซะหน่อยสอนง่ายเกินไปเดี๋ยวก็จะเสียใจนะกี่คนนะยี่สิบน ะ, ะครับหลวงพ่อเคยบอกให้ผมเนี่ยเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกนะครับผมก็ไปทําตามในระหว่างทําตามก็มีความรู้สึกว่าเกิดสติได้มากขึ้นเห็นการไหลของจิตได้มากขึ้นครับ แล้วในขณ ะ, ะก่อนหน้านี้หลวงพ่อเคยบอกว่าผมติดประคองปัจจุบันยังยังติดประคองอยู่ไหมครับผมอา้าวดูเองได้ไหมถ้าประคองอยู่ใจก็นิ่งนิ่ ง, งทื่อๆนะมีไหมล่ะไม่ไม่ไมีครเนอไม่มีก็ดีสิครับแล้วขณะขข น, นี้ประคองไหมไม่ไม่ครับ ขณะนี้กดอยู่นะประคองอยู่นะนี่อยู่ในกลุ่มของการบังคับตัวเองอยู่ในกลุ่มของอัตตะกิลมฐานโยโยกนะอยู่ในกลุ่มของการเพ่งสังเกตไหมจิตขณะนี้มันนิ่งกว่าความเป็นจริงเพราะถูกเรากดเอาไว้อันนี้แหละคือการเพ่งไว้ประคองไว้นะเพราะว่าเราตื่นเต้นเราก็เลยเพ่งนะไปฝึกหน้าที่ฝึกอยู you know? ่ดีไปสังเกตอย่างหนึ่งจิตถึงฐานหรือไม่ถึงฐานดูตัวนี้ให้ดี จิตขณะนี้ออกนอกดูออกไหมครับจิตกระจายออกไปรู้กว้างๆเวลาที่เราดูจิตดูใจนะบางทีจิตไม่ตั้งมั่นครับจิตมันเคลื่อนจิตที่เคลื่อนเนี่ยหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตออกนอกครับจิตออกนอกนี่ไปอยู่แถวนี้โล่งๆว่างๆอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะอย่างนี้ไม่เดินปัญญาละนะถ้าจิตมันไปโล่งว่างอยู่อย่างเนี้ย้อนกลับมาดูกายเลยนะกลับมาที่กายก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาที่จิตนะเพราะเข้าที่จิตเนี่ยจะเข้าไม่ถึงจิตดูที่กายก่อนกายเป็นบ้านของจิต นะดูที่กายไปสักพักหนึ่งพอมีเรี่ยวมีแรงมันย้อนเข้ามาจะมาเห็นจิตได้อีกนะดูออกไม้มตอนนี้หดเข้ามาหน่อยหนึ่งแล้วนะแต่หดด้วยการดึงเข้ามาหรือเปล่าถ้าดึงเข้ามาใจจะแน่นมากขึ้นนะเนี่ยสังเกตนะเราจะได้ช่วยตัวเองได้นะอ่ะต่อไปกรับกลับพระ ค, คุณครับน ว, วัดสกการหลวงพ่อครับคือฟังซีดีหลวงพ่อแล้วไม่เคยมา ส่งการบ้านแล้วก็เกรงว่าจะผิดพลาดก็เลยมาขอส่งการบ้านว่าเท่าที่ฝึกมาก็เห็นตัวตนลดลงหลังจากเห็นตัวตนลดลงก็อาการอาการที่เข้าไปแสกแสงก็จะลดลงต่างดีแล้วก็ไม่ไม่เชื่อเชื่อจิตน้อยลง ม, มันอยากจะมันอยากจะเกิดอะไรก็เกิดก็เหตุผลที่ควรจะเชื่อก็เชื่อ ไม่มีเหตุผลที่<อ>จะเชื่อก็ไม่เชื่อนั่นต้องอย่างนั้นก็ไม่ไม่ทราบว่าถ้าถ้าผมทำแบบนี้ต่อไปจะจะหลงใบอบายอีกหรือเปล่าหรือว่าจะสามารถอยู่ในแนวทางนี้ได้ถ้าทำสม่าเสมอมันก็อยู่ในแนวทางนะถ้าทอดทิ้งมันก็เสื่อมได้อีกเพราะอันนี้ยังเป็นโล ก, กียะยังไม่ขึ้นโล ก, กุตตะระยังไปอาบายได้อีกถ้าเราประมาทแต่ถ้าเราไม่ประมาทนะเรามีสติ คอรู้ทันจิตใจของเราเรื่อยไปนะกิเลสชั่วอยาบครอบงําไม่ได้ไม่ไปอภายละก็ก็กะว่าจะปฏิบัติแบบนี้ตลอดนะครับแต่ว่าเนื่องจากไม่มีครูบาอาจารย์สังเกตดูตรงนี้จิตของเราตั้งมั่นจริงไหมขณะเนี้ยจิตตั้งมั่นไหมดูออกไหมอ๋อตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ตั้งมั่นนะไม่ตั้งมันที่ควรครับตับถูกนะครับเวลาตั้งมั่นเนี่ยตั้งขึ้นมาเองหรือตั้งเพราะเราประคองไว้อ่า ปล่อยครับผมจะปล่อยเขาตั้งขึ้นมาเองครับต้องปล่อยนะของคุณมีจุดอ่อนนิดนึงปล่อยเยอะไปอ๋อ oh, ครับนะเพราะงั้นใจมันจะเลื่อนลอยมากไปหน่อยครับมันจะสบายสบายลอยๆอยไปนะครับงั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิต บ, บ้างหาเครื่องอยู่ให้จิตสักอย่างหนึ่งลองไปดูว่าจะรู้อะไรแล้วสติเกิดบ่อยอวันนั้น รู้ไปแล้วสบายบายมีความสุขนะแล้วก็สติเกิดบ่อยเนะี่ยเอาอันนั้นนะเราอยากจะถามหลวงพ่อคือสงสัยเมื่อเมื่อในอดีตไม่ใช่ไหนอดีตเมื่อตอนผมเด็กๆอยู่ตอนนั้นยังไม่มีความรู้อะไรก็นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็มีญาติการเอาหนังสือของหลวงพ่อเทียนมาให้ฝึกนะครับก็ฝึกตอนนั้นตอนนั้นคือเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็ฝึกไปตอนเด็กๆไ ม, ไม่ไม่ทราบอะไรทั้งนั้น จากนั้นก็เห็นเห็นเห็ น, หหนความเป็นตัวตนเราอะหลุด ห, หลุดออกไปแล้วก็แล้วก็คือตัวตนแยกต่างหากและอีกอันหนึ่งอะไรก็ไม่ทราบ ก, ก็ก็มองเห็นอยู่ชัดแล้วเราก็ตกใจคิดว่าเกิดอะไรขึ้นก็พยายามวิ่งกลับไปหาตัวตนแล้วก็อ๋อ ถ้าเราเข้าไปอยู่ในนั้นเราก็ถึงมีตัวตนใช่ถ้าเราออกมาเราไม่มีอืแต่เนื่องจากว่าไม่ขาดครูบาอาจารย์แนะนําก็เลยไม่ได้กวดต่อถ้าอย่างนั้นก็ไปฝึกแนวหลวงเทียนต่อนะได้ได้ใช่ไหมครับได้สิเราขยับไปแล้ว ร, รู้สึกตัวนะอย่าไปเพ่งใส่มือไว้ก็แล้วกันนะและ้วขยับไปแล้วก็รู้สึกขยับไปรู้สึกแล้วจะเห็นนะจิตมันถอนออกมาก็ให้มันถอนเองนะอย่าดึงถอนออกมาแล้วก็ไม่รักษาไว้จิตไหลเข้าไปรวมรู้ว่าไหลเข้าไปรวมนะอย่าไปเกลียดมันอย่าพยายามดึงออกมา มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นฝึกอย่างนี้บ่อยๆอันนั้นคือการกระทาในรูปแบบใช่ั้ยครับก็ทำบ้างแล้วก็มีสติอยู่ในชีวิตประจาวันตามปกติถ้าฝึกขยับอย่างหลงพอเทียนเนี่ยเราจะรู้ได้ทั้งกายทั้งใจนะเวลาเรามาอยู่กับโลกข้างนอกแล้วขาดสติพอร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยสติเกิดเองเลยหรือพอจิตเคลื่อนไหวสติก็เกิดได้ แล้วผมควรจะต้องมาหาหลวงพ่อบ่อยๆไหมหรือว่าต้องมีต้องไปหาอาจารย์ท่านอื่นบ้างไหมครับหรือว่าฝึกแบบนี้อยู่บ้านก็สามารถก็ฝึกเอาหน้าฝึกฝึกประจำอยู่ที่บ้านก็ได้นะหลวงพ่อไม่ค่อยแนะนําให้วิ่งไปที่นู้นที่นี่จะสับสนบนะถ้าพื้นฐานเรายัางไม่แน่ น, นเราวิ่งไปสํานักนู้นสำนักนี้จะง ง, ง, งเพราะครูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยจะมีลวดลายในการสอนไม่เหมือนกันน ะ, นะเดี๋ยวจะง ง, ง, ง ครับกับนบักการหลวงพ่อครับตอนหมาใกล้เข้ามาก็าเห็นใจเต้นแรงนะครับขอรายงานการปฏิบัติที่ผ่านมานะครับในช่วงปกติผมจะเดินจงกรมก่อนนอนแล้วก็ตื่นตอนเช้านะครับก่อ น, นอนเวลาเดินก็ก็มีสภาวะแปลกๆที่ไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็จะมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะครับออืเดินไป อ, อมันจะเห็นจิตไหลแวบไปอืฮะแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาอืแต่วิธีการเดินผมก็คือ ทีแรกก็เดินดูร่างกายนะครับแต่ว่าก็ก็จะคิดคือบริกรรมสมาอรหังสมาอรหัง ม, มันก็ไม่ทราบว่าจะเดินดูร่างกายหรือว่าดูาสัมมาอรหังไปด้วยมันคล้ายเป็นวิหารธรรม2อย่างนะครับ2 อ, อย่างมันก็เยอะไปนะเหมือนเอาเชือกหลายเส้นมามัดมากไปเอาสักอันหนึ่งก็พอครั บ, รบก็ตอนเช้านะครับก็เดินโยกรมไปกับ ฝังสุดทางเต็มคมจะเป็นหน้าต่างตอนเช้าก็มีผ้าม่านปิดนะครับเดิเดินไปเหมือนกับเห็นลักษณะเหมือนเป็นภาพหน้าต่างเป็นสอดจอดจอดจอดนะครับไม่ทราบว่าเป็นเห็นรูปเห็นรูปแบบเป็นจักขูปวิญญาณจิตเกิดดังใช่ใช่เห็นจริงหรือว่าเป็นอุปทานเห็นจริงสิเห็นจริงสินะเรายังไม่เคยเห็นเรานึกไม่ออกอยู่ๆเห็นปัวออกมานั่นแหละของจริงัผมมแต่หลังจากนั้นถ้าอยากเห็นจะไม่เห็นอีกแล้วครับผมเราจะบอกว่าคืออยากเห็นมันก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นเนาะความอยากมันเกิดสติไม่เกิด เจตนาขึ้นมาก็ไม่เห็นนะคแต่โลภะมันเกิดแล้วจะไปเห็นความความความอยากที่จะเห็นตามมาทีหลังนะครับอแล้วก็อีกอีกครั้งก็คือเห็นแบบลักษณะเดินไปแล้วเกิดคันที่ขาแล้วก็มือไปเกานะครับแล้วเงยหน้าขึ้นมามันไม่เหมือนอมันไม่เราแล้วแต่มันจะเป็นกระพริบทีๆมากเลยนะครับอย่างนั้นเราเห็นรูปมันเกิดดับอยู่ครับทําไปอย่างนี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมใช่ใช้ได้ไปทําอีกนะอ่ะคนต่อไปของคุณที่ส่งก่อนอะที่ใส่แว่น อย่าปล่อยจิตให้อ้อยส้อยอ้อยอิงอย่างนั้นนะไม่ดีถ้าฝึกอย่างนั้นจิตอ่อนแอนะ ย, ายา้ำเร้าความรู้สึกเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะอ่อนไปนรมาส ก, การหลวงพ่อครับ อ, อ, อยากเรียนถามที่หนึ่งครับว่าที่ว่าทรในรูปแบบแล้วก็วิหารธรรมแล้วก็ทำสมถะเนี่ยมีแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรครับหลวงพ่อใช้ภาษาหลายแบบนะจริงก็คือทำสมถะ แล้วก็หัดดูสภาวะไปการที่เราหัดดูสภาวะเนี่ยยังไม่ขึ้นมีปัสนาจริงอ่ะนะเห็นตัวสภาวะเนี่ยยังเป็นแค่สมถะอยู่แล้วเราทำในรูปแบบเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมีเครื่องอยู่นะให้จิตมีเครื่องอยู่จิตนี้ไปแล้วเรารู้เพราะเรารู้ทันจิตเข้ามาอยู่กับเครื่องอยู่ตัวนี้ได้สมถะละนะในขณะเดียวกันพะจิตไหลไปเรารู้ไหลไปรู้เรารู้ทันสภาวะของจิตด้วย เราไปพอไหลนะสติเกิดเองนะจิตสงบตั้งมั่นขึ้นมาเองนะจะรู้ตัวได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นสงบตั้งมั่นได้มากขึ้นมากขึ้นนั่นมันจะเจือกันระหว่างการทําสมถะนะกับการที่จะหัดดูสภาวะช่วงไหนจิตฟุง้งซ่านมากเราดูดูไปทําในรูปแบบเนี่ยจิตจะพลิกเข้าหาความสงบช่วงไหนที่มันสงบพอแล้วมันก็จะมาดูสภาวะที่เกิดดับอยู่นะเป็นเรื่องเกี่ยวพันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันนะต่อเนื่องกั น, นะนมันช่วยกันอยู่ แล้วเรียนถามหลวงพ่อให้อย่างที่ว่ารู้สึกตัวนะฮะมีสติรู้รู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสเต็ปโคราโคนตอนกันใช่ไหมฮะคือเรามีก็เรามีสติรู้ทันนะพอรู้ทันแล้วใจมันก็ตื่นขึ้นมารู้สึกตัวตื่นมาครับแล้วที่ว่ารู้สึกตัวนี่มันเป็นอันเดียวกับความรู้สึกที่เหมือนกับตอนเรากําลังตื่นนอนหรือเปล่ามันเป็นสภาวะแห่งความตื่นนั่นแหละ คล้ายกันใช่ไอมครับบางทีรู้สึกว่าอย่างรู้สึกตัวนี้ว่าะของคุณตอนนี้มันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วะจิตใจนี้มันเริ่มตื่นแล้วแต่สิ่งที่ขาดตอนนี้นะคือขาดความตั้งมั่นบางทัานรู้สึกไหมมันตื่นมันโล่งมันเจ้าออกไปข้างนอกมันไม่ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจเนี้นะนั่นพยายามระลึกรู้กายระลึกรู้ใจบ่อยๆนะเะฉนั้นใจมันจะสว่างว่างเจ้าไปภายนอกในตอนนี้ใจมันอยู่ข้างนอก ใจมันไม่ทวนกลับเข้ามาที่กายที่ใจนะไปสังเกตตัวนี้ดีกว่านะลองดูตัวนี้บ่อยๆตรงนี้ยังสงสัยอยู่ครบว่าเข้ามาดูกายดูใจยังไงเพราะว่าแค่รู้สึกเนี่ยอ้าปากด้วเเห็นร่างกายมันเคลื่อนไปนะถ้าภาวะนี้บางทีก็รู้สึกบางทีก็ตอนนี้เราต้องจงใจนิดหน่อยในการคอยรู้สึกกายนะจงใจไว้นิดๆไม่จงใจแรงถ้าจงใจแรงจะเป็นเพ่งไม่ดี นะจงใจนิดหน่อยเพราะอะไรเพราะใจเราเนี่ยไปหลงอยู่ในความลง่งความว่างนะไม่ดีตัวเนี้แล้วมีภาวะหนึ่งที่บางทีเราแวบบ๊แบๆบรู้แบบตลอดเวลามันเหมือนกับว่ามันจะรู้สึกตัวก็ไม่ใช่เหมือนกับว่าไม่เป็นไรตัวนั้นมันรู้แล้วล่ะอันนั้นปล่อยไปอย่างนั้นเลย<ไ>ปล่อยอย่างนั้นนะแต่วแบบ่าแว๊บๆไปเรื่อยเนี่ยฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านเราทำในรูปแบบจิตได้สงบบ้างนะอันนั้นเราเดินปัญญาอยู่ในชีวิตประจําวันเห็นว่าแวบบ๊แบๆไปด้วย ถ้าดูไปนานๆจิตเหนื่อยจิ่แหน่ทยทความสงบเข้ามาทําสมาธอะไรแต่ทําได้นะครับทำได้ถ้ามันเป็นไปเองก็ปล่อยเห็นแต่ไหวแว๊บๆบางทีบางทีมันเป็นอย่างนี้แล้วบางทีมันก็มารู้สึกตัวยันปล่อยมันไปอย่างนั้นนะครับแต่อย่าให้ใจกระจายออกไปอตับไปเอาย่อๆหน่อยนะเดี๋ยวไม่จบยี่สิบคนเดี๋ยวหลวงพไปขึ้นเรืบินไม่ทันรู้สึกว่าจิตมันไม่ค่อยมีกําลังอะค่ะพอลองนั่งสมาธิสวดมนต์ดูมันก็ กลายเป็นว่ามันเกิดโทสะขึ้นมาค่ะโทสะ<ช>เพราะอะไรเพราะเราไปบีบบังคับมันจิตเหมือนเด<ช>็กนะไม่ชอบให้ใครบังคับไม่อยากไปบังคับเราสวดมนต์สวดเล่นๆเด็ถ้าสวดมนต์เราไม่สบายใจนะไปทําอย่างอื่นที่มันสบายใจนะเช่นอ่านพระไตรปิฎกอ่านเรื่องของพระพุทธเจ้าสมมติถ้าชอบอ่านน ะ, ะอ่านอ่านไปแล้วใจมีความสุขขึ้นมาเมื่อไรใจมีความสุขในอารมณ์ที่เป็นกุศลนะจิตจะสงบตั้งมั่นขึ้นมาหลวงพ่อเมื่อก่อนทํางานหนักๆนะเครียดมากๆนะ ทีขับรถไปเลยไปเลี้ยงปลาไปตามวัดเขามีวังมัดฉาแต่ต้องดูให้ดีนะบางวัดมันเปลี่ยวอย่าไปนะผู้หญิงนะ <c oughs> ไปซื้ออาหารให้ปลากินนะจิตมันเป็นกุศล น, นะเห็นปลาดูน้ําดูอะไรใช่ไหมใจมันค่อยคลาย้วใจมันคลายใจมีความสุขมีความสุขมีความสงบขึ้นมาเราก็มาดูของเราต่อได้นะคุณค่ะอ่ะต่อไปนมัส ก, การเจ้ค่ะเออตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่าเซลล์เยอะแล้วก็ ตอนที่หลวงพ่อเทศก็มีอะไรเข้าใจแล้วมันปิติตลอดเวลาเลยปิติก็รู้ว่าปิติหน้าเราก็ไม่ให้ปิติครอบงําจิตนะปิติเกิดขึ้นก็รู้บางคนปล่อยให้ปิติครอบงําจิตแล้วเกิ๊นอะไรเงี้ยไม่ออกแล้ต้องรู้สึกตัวแล้วก็ช่วงนี้มันมีเรื่องที่มาทําให้ทุกข์เยอะก็จะก็มีอะไรปัญหาเยอะทุกข์ไม่ทุกข์อยู่ที่เราเองปัญหาเยอะมีปัญหานะอาจจะไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าเราฝึกจิตของเราให้ดี เราอย่าปฏิเสธปัญหาถ้าเมื่อไร่เราปฏิเสธปัญหาเช่นเราเกิดไม่สบายขึ้นมาแล้ว เ, เราไม่ชอบเลยเนี่ยเรายิ่งทุกข์มากขึ้นนะเรามีปัญหาตอนนี้ตกงานไม่อยากตกงานนี่ทุกข์มากขึ้นเช่ไหมดังนั้นปัญหาเนี่ยมันจะไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะถ้าใจเราอยอมรับได้ครบพึ่ค่ะกรรมน้ำมศการหลวงพ่อเจ้าค่ะปกติก็ดูกายดูใจอะค่ะแล้วก็ มีสติดูในชีวิตประจำวันนะคะก็เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาประมาณนะคะก็ออได้มีโอกาสไปเปกตัวภาวนาค่ะก็มันมีสภาวะหนึ่งอะค่ะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อค่ะก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยตื่นตื่นตื่นขึ้นมากลางดึกอะค่ะก็เห็นสภาพไหลๆอะคะ่ะแล้วก็ภาวะนั้นจิตมันเบาก็เห็นสภาวะนั้นไหลไปเรื่อยๆ พออีกสักครู่หนึ่งอะค่ะก็จะเห็นคิดคิดคิดคิดค่ดะแล้วก็อีกพักหนึ่งจิตก็มองแล้วก็ดูอย่างนั้นไปเรื่อยๆดูดูอย่างนั้นก็ดีนะแต่ว่าจิตขาดความตั้งมั่น <c oughs> เวลาเห็นมันไหลๆเนี่ยจิตปลอยไหลไปด้วย <c oughs> นะอย่าให้จิตไหลาตามไปจิตของคุณมันอ่อนมันไม่ตั้งมั่น <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นจิตไหลไฟรู้ทันว่าจิตไหลนะเราอย่าไหลาตามนะเราดูไป เมือเราเห็นน้ําไหลเนะ่ยเราอย่าไหลาตามน้ําไปเราอยู่บนบกนะจิตของคุณมันคล้ายๆโดดลงไปในน้ําด้วยดูอยู่ห่างๆ่ปสวยงามนะก็อยากจะเรียนถามอีกนิดนึงอะคะ่ะว่าออการที่เราจะทราบได้ยังไงว่าเราจิตเราเนี่ยไปคล้องแวะกับสิ่งไหนบ้างโอ้ถ้าจิตมันไหลไปจับอารมณ์นะเราเห็นได้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยเวลาจิตโดดเข้าไปจับอารมณนะ์อะ าหาก <ild S 1> ฝึกไปเด่อยรู้ทันจิตไปเรื่อยแต่ไป <lag. S 1> จิตมันเข้าไปจับอะไรเราก็เห็นนะจิตมันปล่อยออกมาเราก็เห็นจะเห็นเองแห่ะแล้วเมื่อเห็นตรงนั้นแล้วแล้วอันนั้นเนี่ยมันเกิดเป็นอกุศลขึ้นมาเ อ, อเราก็ก <airpl> เห็นนะอะกุศลเกิแกด <WOMAN. S 1> ลกแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตไปจับอารมณ์อย่างนี้เป็น อ, อกุศลจิตไปจับอารมณ์ันนี้เป็นกุศลก็ได้เหมือนกันนะแล้วเมื่อเห็นกิเลสตรงนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเรา เราไม่ไปทําตามมันคือไม่ให้อาหารมันนะคะใช่ต้องไม่ให้ค่ะตรงนั้นไม่ถือเป็นการแทรกแซงใช่ไหมไม่แทรกแซงแต่อย่าตามใจมันแต่ว่าไม่ต่อต้านนะไม่ตามใจแล้วก็ไม่ต่อต้านคล้ายๆเรือหลวงพออเทียบเรื่อยๆเหมือนเรือจอดทอดสมอไว้อะน้ําไหลไปนะเรือไม่ไหลตามน้ําคือเราไม่ไหลตามกิเลสจิตไม่ไหลตามกิเลสในขณะเดียวกันเรือไม่ขวางน้ำนึกออกไหมกิเลสไหลมาใจเป็นคนดูกิเลสไหลมาใจเป็นคนดูนี่ไม่กระเทือนกัน มันจะมาเราไปนะ <Okay. S 1> ถ้าไปต้านมันจะเหนื่อย <Okay. S 1> ของคุณจุดที่มีปัญหาคือจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่มีแรงนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นจิตที่ไหลไปให้รู้ทันนะจิตมันจะคืนขึ้นมาแต่อย่าดึงคืนนะถ้าดึงจงใจดึงเนี่จะแน่น <Okay. S 1> แค่รู้ว่าไหลนะจิตจะตั้งขึ้นเองนะ <Okay. S 1> อ่ะตอบไป ข, ขอบคุณครับกาบ น, นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อให้หนูดูกายให้มากๆกก็จะเห็นจิตค่ะเอ่อ ตอนเช้าหนูจีล้างหน้าอยู่หนูรู้สึกว่าเห็นภายในมีภายในมองเห็น ม, มือที่กําลังถูนะเปลือกภายนอกอยู่ น, น, นั่นแหละนะจิตมันเป็นคนรู้นะนเห็นร่างกายล้างหน้าอยู่ออปีนี้หลวงพ่อแนะนําไปทำอีกสิธน ะ, ะรู้สึกกายบ่อยๆเพราะเราเป็นคนรักกายเรารักสวยนะรักงามรักสุขรักสบายอะไรเนี้ยดู ก, กายไว้ดีนะมันเหมองกับจริตล้ว สมาธิอ่อนไปไหมคะหลวงพ่อคะสมาธิ<ะ>้องทําทุกวันแหละน ะ, ะทำไหว้พระสวดมนต์อะไรอย่างน้อยก็ได้สมาธิแลนะ้วอนะหายใจพุทโธไปอะไรอย่างนี้ก็ได้สมาธิแล้วนิวรณ์ยังครอบงำอยู่เลยคะ่ะหลวงพ่อคะครอบแน่นอนแหละธรรมดานี่นะครับขอบพระคุณค่ะธรรมดานะนิวรณ์ครอบเป็นเรื่องปกติแล้วก็มีสติรู้ทันเอาเดี๋ยววันหนึ่งนั้นก็พ้นเหมือนค่ะกรรมนวัตสการหลวงพ่อนะเจ้าคะ เป็นคนนั่งสมาธิอะไรไม่เป็นนะเจ้าคะก็สวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมในในรูปแบบเคยเห็นกายทำงานได้เองเวลาเดินจงกรมก็จะเห็นรูปนี่เดินแล้วในชีวิตประจำวันก็จะเห็นเหมือนเห็นตัวเองแว๊บว่ามันไม่ใช่เราบ่อยๆใช่นั่นแหละดีเคยเห็นการเกิดดับภายในอยู่ครั้งหนึ่งนะคะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรเข้าใจว่าก็คือซัมติงที่หลวงพ่อพูดเออกราบขอความเมตตาหลวงพ่อเจ้าค่ะว่า ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยจะต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต้อง แ, นะแต่ว่าเราทําในรูปแบบทุกวันนะแบ่งเวลาไว้นะนั่งสมาธิเดินจงกรมอนะไรเนี่ยทําทุกวันมันจะได้มีแรงถ้าเราไม่มีการปฏิบัติในรูปแบบเลยไม่นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยอ่อนแรงรู้ได้ไม่จริงอะ่ะเจ้าค่ะนะงั้นทำทุกวันแนหะดีแล้วล่ะค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะจะกราบขอความเมตตาอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องโสดาปฏิมากรนะเจ้าค่ะไม่ทราบว่า ก่อนที่จะเป็นโสดาบัณเนี่ยผู้ดชนอย่างเรานี่อยู่ในสภาวะของโสดาปฏิมักได้ใช่ไหมเจ้าคะโสดาปฏิมัคเกิดเนี่ยเกิดหนึ่งขณะจิตเท่านั้น<ม>นะไม่ใช่เกิดสองปีสาปีแล้วเป็นพระโสดาบัณฑ์น ะ, ะเพราะฉะั้นอย่างที่เราปฏิบัติเจริญสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลางที่ทํากันมาแลมเดือนแลมปีเนี่ยยังไม่ใช่ตัวมักแท้แ<ม>เป็นเบื้องต้นของมักเรียกว่าบุคพระพาคามักเบื้องต้นของมักนะ แต่ว่าเมื่อทําแต่เต็มที่แล้วเนี่ยอริยามรรคเกิดเวลาที่อริยามรรคเกิดเนี่ยเกิดหนึ่งขณะถัดจากอริยามรรคเกิดนะอริยผลเกิดทันทนะีเพราะงั้นเวลาพระโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลเนี่ยแยกทางทฤษฎีเท่านั้นนะแยกในทางทฤษฎีในความเป็นจริงสมมติว่าตัดนี่แวบเดียวออกมาเนี่ยเป็นพระโสดาบันเต็มที่แล้วโสดาปฏิผลผ่านไปแล้วเนะจ้าค่ะกลัขบขอบพระคุณเจ้าที่พวกเราทําอยู่นี่เรียกว่ามรรคเบื้องต้นบุพภาผ่ากมรรค ากานพิการหลวงพ่อครับคออือผมต้องการจะรายงานรวมๆว่าคือโดยโด ย, โดยโรวมนะครับการปฏิบัติก็กรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับ<ด>ครับแต่ว่ามันจะมีอย่างบางสภาวะที่เรารู้สึกว่า เ, เหมือนเหมือนกับว่าเรารู้แต่ว่าจริงๆคือมันเหมือนมันยังค้างอยู่แล้วก็แล้วก็วกเหมือนกับ มันพร้อมที่จะเหมือนอย่างเป็นความโกรธใช่ไหมครับถ้าเกิดรู้ว่าเออมันโกรธอยู่แล้วก็มันถ้าเกิดเราเราเราเราทำเราจะทำหรือจะคิดอะไรต่อจากนั้นเนี่ยคือมันอยู่บนความโกรธหมดเลยครับอถ้าเกิดเป็นทัภาวะอย่างนี้นี่คือก็รู้ซ้ําลงไปอีกนะมันเกิดสลับกันตลอดเวลาอย่างโกรธขึ้นมาพอเรารู้ทันเนี่ยในขณะที่รู้เนี่ยไม่ได้โกรธ แต่ว่าอารมณ์มันยังค้างอยู่นะสัญญายังจําอยู่จําเรื่องนี้ได้อยู่มันกลับไปคิดอีกคิดอีกโกรธอีกนะแล้วเราก็มีสติรู้อีกครับนะคือคือคอยรู้ไปเรื่อยๆรู้ลงขณะเป็นขณะขณะไปนะรู้ลงปัจจุบันไปครับนะโกรธขึ้มารู้โกรธรู้โกรธรู้โกรธรู้อย่าเงี้ยอ๋อครับคือแต่แต่แต่ผมจะไม่ค่อยคือจะไม่ค่อยรู้เป็นเป็นเหมือนจะเห็นมันต่อเนื่องไปเลยครับ จะไม่จะไม่อั้นจิตยังไม่ตั้งมั่นพออ๋อครั บ, รบงั้นคนจะทําสมาธิเพิ่มไหมครับสมาธิเนี่ยทาได้ทําทุกวันแต่ไม่ใช่ทํามิจฉาสมาธิให้เคลมิมเคลิมนะครับนั่งหายใจไปนั่งพุทโธไปด้วยความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆครับไม่ใช่พุทโธพุทโธเราเคลิม้มหายใจเราเคลิมนะหายใจไปรู้สึกตัวพุทโธ ร, รู้สึกตัวเนี่ยพยายามรู้สึกตัวไปปล่อยจิตมีแรงตั้งมั่นขึ้นมานะผมทําทุกวันครับ อ่ะต่อไปสมาธิเราไม่จริงหรอกนะบางคนหลวงพ่อให้หยุดการทําสมถะไว้ก่อนเพราะว่าติดเพ่งอย่างรุนแรงจนเดินปัญญาไม่ได้นะ่าต้องคลายก่อนพอคลายแล้วสติทํางานได้แล้วนะจิตใจทํางานได้ปกติแล้วเนะี่ยยังไงก็ต้องทิ้งสมถะไม่ได้หรอกนำ้ำมการหลวงพ่อค่ะปกติสวดมนต์แล้วก็ทําสมาธิทุกคืนนะคะแล้วก็พยายามที่จะรู้รู้ตัวที่เคลื่อนไหวยอยู่อะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้คิดว่า คิดไปเองว่ารู้หรือว่ารู้จริงๆอะค่ะตอนนี้เหรอคะตอนนี้คิดเอาตอนนี้ไม่รู้หรอกตอนนี้จิตอยู่ข้างนอกจิตมันวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อจิตมันหนีไปคิดดวอกไหมแต่ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเพียงแต่จิตไม่ค่อยตั้งมั่นจุดอ่อนของพวกเรานะของพวกเราพวกเราเป็นคนเมืองเราไม่ค่อยมีเวลาทำสมถะจริงๆนะเราเดินปัญญาพวกปัญญามากเนี่ยฟุ้งซ่านง่ายเพราะว่พวกเราจะฟุ้งง่ายใจเราไม่ค่อยตั้งมั่นหรอก นะ ถ, ถ้าอยากให้มันพัฒนาไวๆนะทุกวันแบ่งเวลาไว้นั่งสมาธิเดินจงกรมทำทุกวันนะเมื่อก่อนจะมาเนี่ยเมื่อวานหรือวนันศุน์นะมีคนไปส่งกันบ้านที่วัดบอกหนูก็ทำในรูปแบบค่ะเนี่ยส่งเราก็ฟังด้วยความปลื้มใจนะวันแรกเลยหนูทำหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นึกวันที่สองสองชั่วโมงวันที่สองนาทีค่ะวันที่สามครึ่งชั่วโมงค่ะวันที่45นาทีค่ะ แล้วต่อมาหนูก็เลิกเลยค่ะอย่างงี้ไม่เอานะทำหลวงพ่อเรียกร้องเนี่ยบอกเบื้องต้นเอาน้อยๆยน้อยๆ ย, ยก่อนนะอย่างเราคิดว่าเราจะนั่งสมาธิเดินจงกรม10นาที15นาทีนี้มันมีกําลังใจมันไม่ทรมานใจนะพอเราไปนั่งแล้วจิตใจมีความสุขมีความสงบเนี่ยมันอยากเพิ่มขึ้นเองนะถ้าไปเริ่มต้ น, นจะนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงอะไรเงี้ยเครียดเครียดวันหลังก็ไม่ยอมทําอย่างนี้ยิ่งแย่ใหญ่ สตาร์ทในจุดที่พอทําได้นะแล้วค่อยเพิ่มขึ้นไปเพราะมันเห็นประโยชน์อย่างเนี้จะง่ายทําทุกวันนะในรูปแบบอย่างน้อย15นาที10นาทีอะไรเนี่ยทำกราบนมัสการครับหลวงพ่อผมฟังซีดีหลวงพ่อประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็เมื่อต้นเดือนได้2อเดือนหรือ2องสองเดือนครับสองเดือนทําได้ขนาดนี้แล้วก็ไปปฏิเดชในรูปแบบเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับผมมีคําถามขอเรียนถามหลวงพ่อสาข้อ ข้อแรกก็คือผมปฏิบัติถูกทางหรือเปล่าถูกข้อที่2ก็คือว่าจิตผมตื่นหรือยังครับตื่นครับข้อที่สฮะคืออยากจะทราบว่าสภาวะตอนที่ผมปฏิบัติในรูปแบบเมื่อต้นเดือนกับสภาวะลักษณะหลังจากที่ออกจากปฏิบัติมาแล้วเนี่ยผมควรจะรักษาจิตในลักษณะแบบไหนามากกว่ากันครับทำอย่างที่ทำอยู่นี่ทำอยู่ตอนเนี้จเจริญอยู่นะครับทำต่อไปอีกคือไม่ตึงเกินไปใช่ไหมไม่ตึงนะ แต่มันมีอาการสองอย่างที่เกิดขึ้นถ้าทำแบบนี้นะฮะมันจะเกิดความรู้สึกหงุดหงิดแล้วเบื่ออืเยอะมากแล้วก็รู้ <จะ S 2> ทันท ร, รู้ทันลงไปเลยนะสภาวะแปลกปลอบใดๆเกิดขึ้นรู้ทันลูกเดียวเลย ร, รู้ด้วยความเป็นกลางไว้ของคุณฝึกสองเดือนฟังสองเดือนฝึกหนึ่งเดือนทำได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะอย่าขี้เกียจซะละครับ ที่ เ, เกลี่ยล้วโง่นะหลวงพ่อบอกนะถ้าทําได้ขนาด น, นี้ทิ้งไปนั่นโง่ที่สุดแต่ว่ามันสังเกตว่ามันไม่มันไม่สุกเลยนะครับมันจะมีแต่ทุกข์นั่นแหละปัญญามันกล้านะคุณภาวนาได้ดีนะจิตก็ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นความจริงแล้วสุขไม่มีหรอกสุขเป็นภาพลวงตาแล้อย่างคนภาวนาทีแรกเรารู้สึกมีความสุขเพราะอะไรเพราะอยู่กับโลกมานั้นทุกข์สาหัสสาการรู้สึกตัวขึ้นทีแรกเลยมีความสุขต่อมาตามรู้กายรู้ใจไปด้วยเห็นมีแต่ความทุกข์นะ ก็เห็นท <sesi> ุกน <segu ret> ั่นแหละถึงจะเห็นธรรมคุณไปฝึกต่อนะอย่าท้อถอยนะแต่ไม่รีบร้อนลุกเรียลุกลนนะครับผมกับน้อมัสการหลวงพ่อนะคะเพิ่งเคยเพิ่งเคยถามครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกคือฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ฝึกปฏิบัติมาประมาณช่วงสองสมเดือนเนี้ยค่ะก็มีทําในรูปแบบอย่างเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างละครึ่งชั่วโมงแล้วก็ระหว่างวันก็พยายามรู้กายรู้ใจไปคราวนี้เนี่ย เท่าที่ประเมินตัวเองคือรู้สึกว่าตัวเองจะติดนิ่งไปหน่อยอะค่ะแล้วก็จะรู้กายได้ดีกว่ารู้จิตอะค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็คือจอยากจะพยายามลองรู้จิตดูแต่ว่าได้ฟังซีดีหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ไม่ค่อยเป็นเนี่ยให้ใช้วิธีว่าถ้าเราเผลอแล้วเราค่อยรู้อะค่ะแต่ว่าคืออย่างนี้คือพอดีมีปัญหาของของคุณนะของคุณเนี่ยจิตมันมีสมาธิมากสมาธิมันล้ำหน้านะ เพราะนตัวกรรมฐานที่เหมาะกับคุณตอนเนี้คือการดูกายคุณจะดูกายได้ง่ายคุณดูไปเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปกายกับจิตก็จะแยกกันตอนนี้มันก็เริ่มแยกรู้สึกไหมรู้สึกนะแต่เวลาเวลาดูกายเห็นจะแยกค่ะดูอย่างนั้นนะดูกายบ่อยๆต่อไปเนี่ยจิตขยับมันจะเห็นเองของคุณน่ยดูกายไว้ 60- 70% เจ็ดสิร์เลยแล้วจิตมันไหวมันจะเห็นเอง ไม่ต้องไปจงใจดูจิตหรอกไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตนะดูจิตไม่ใช่โซลูชันแต่ดูจิตมันมันทำได้ง่ายมันเหมาะกับคนในเมืองทุกวันนี้คิดมากวันวันหนึ่งไม่มีเวลาทําสมาธิอะไรนานๆก็ทําได้แค่นี้ก็ดูๆมันไปสะสมกําลังไปวันหนึ่งมีแรงมากๆก็ทําต่อไปดิค่ะนะแล้วอีกคําถามนึ่งะคะ่ะคือช่วงเดือนนี้ค่ะไม่รู้เป็นยังไงคือรู้สึกว่าแบบโทสะมันจะเกิดตลอดเวลาเพราะว่าเราลดการเพ่งลง นะ oh. อ่ะต่อไปกราบนมัสการค่ะจิตไม่ตั้งวันไม่มีกำลังแล้วก็ไม่เป็นกลางค่ะกำลังก็ขาดนิดหน่อย <c oughs> นะพอมีบ้างแล้วแล้วก็มันจิตกับอารมณ์เนี้ยมันเป็นรวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วเวลาที่ดูเนียค่ะมันดูเหมือนกับว่ามือนหนึ่งมันจับจับตัวเราตลอดเวลาแล้วก็ดูเหมือน มันก็เลยรู้สึกเหมือนมืนไม่ใช่ความจริงมันเป็นแทรกด้วยความคิดตลอดเราเรายังบังคับตัวเองมากไปนิดนึงนะยังประคองจิตเอาไว้ประคองตัวผู้ดวยอย่าไปประคองไว้ถ้าปล่อยออกไปมันจะเห็นมันทํางานอุตรุดเลยแล้วโทสะจะแรงยิ่งกว่าเก่าอีกตอนนี้ค่ะคือโทสะเยอะแล้วก็มันมันจะมีอาการที่มันเป็นทางกายด้วยขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเวลาที่มันมันทราบว่ามันอยากหายเนี่ยมันจะมีมันจะมีแปลเป็นความกังวลใจเนี่ยมันก็จะอาการทางกายก็มารู้ว่ากังวลดูลองปัจจุบันไป และที่ดูเนี่ยมันไปดูอาการทางกายแล้วมันก็ไปติดอยู่ตรงนั้นด้วยไเป็นรก็ปล่อยมันเป็นร่างกายส่วนหนึ่งนะจิตเป็นคนดูค่อยๆฝึกอย่างนี้ไปแล้วอีกอันหนึ่งค่ะตอนที่พอมันมันตอนที่มันถล่มไปในตัวสภาวะทางกายแล้วพอใจไม่พอใจมันรู้สึกว่าพอถอยมานิดนึงมันจะเห็นเป็นความพอใจเมื่อพอใจแล้วไอ้โทสะเนี่ยมันจะมันจะไม่ไปยุ่งมันจะกลายเป็นดูความพอใจไม่พอใจดูตรงนี้ไปก่อนดูตัวนี้ก็ได้นะแต่อย่าประคองให้อยู่ตรงนี้ตลอดนะ ถ้าประคองตัวนี้ต่อไปจะกลายเป็นเพ่งตัวผู้รู้ไม่ดีแล้วตอนนี้เนี่ยยังถูกอยู่หรือเปล่าคะถูกสิการนัสการการที่เราเคยติดสมถะนะพอเราปล่อยเนี่ยกิเลสจะรุนแรงกว่าคนธรรมดาเราั้นศีลถึงจําเป็นไงนะอย่างน้อยกิเลสรุนแรงให้มันแรงอยู่ที่ใจไม่ให้มันครอบงําจนล้นออกมาทางกายทางวาจานะถ้าล้นออกมาแล้วมันไปร้ารานชาวบ้านเพราะเราถือต้องมีศีลเพราะเราจะไม่เก็บกดทางใจ อ่ะต่อไปหมดยังในมรสการหลงพ่อครับครั บ, ค, รบคือเวลาที่ความรู้สึกโกรธมาครับก็ก็คือรู้นะครับแล้วก็นั่งนิ่งๆดูดูสภาวะมาอะไรอะไรโกรธ น, นะเวลาที่ความรู้สึกโกรธมาครับโกรธ ค, ครับก็ก็คือรู้แล้วก็นั่งนิ่งๆตามดูสภาวะมาแล้วก็ไปครับแต่ว่าคือคนภายนอกเขาเขาจะเหมือนเราเห็นเห็นหน้าเราว่าหน้าเราแบบรู้ว่าเราเราโกรธอยู่ครับไม่เป็นไรก็ยังไม่ยังไม่ไม่เข้าใจว่าคือเป็นเพราะว่าเรา เราไม่ไ ม, ไม่ชอบมันหรือเปล่าว่ายังไม่เป็นกลางยังไม่เป็นกลางใช่ไหมครับใช่ยังเกลียดความโกรธอยู่<อ>ยังไม่อยากเกลียดโกรธหรือว่าเป็นเพราะว่าสติเรายังไม่แข็งแรงพอหรือเปล่าไม่ใช่หรอกพราะใจเราเราจึงดูผิดตัวเราโ<อ>มไปดูความโกรธแล้วลุ้นว่าเมื่อไหร่จะหายอ๋อให้ดูใจที่ไม่เป็นกลางไว้ครับถ้าใจเป็นกลางเมื่อไหร่มันจะขาดสะบั้นทันทีเลยครับก็คือให้ให้รู้ไปชั้นหนึ่งแล้วเ่ครับว่าไม่เป็นกลางไม่ชอบรู้รู้ทันจิตของเรานะความโกรธไม่ใช่จิตออก แต่พอจิตไปรู้ความโกรธแล้วจิตเกิดยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันว่าจิตยินร้ายอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารู้ทันจิตครับแล้วบางบางครั้งก็เหมือนกับว่าอยากจะนั่งนั่งสมาธิแบบสมถะบ้างแต่ก็รู้เลยว่าแบบนั่งแป๊บหนึ่งใจก็วิ่งวิ่งไปขึ้นัลอไม่ได้สมถะตัวนี้คุณต้องเจริญเมตตาฐานจิตของคุณนี่มันโทสะเยอะ การเจริญเมตตาก็คือการมองคนอื่นหรือรู้สึกต่อคนอื่นรู้สึกต่อสิ่งอื่นกระทั่งกับตัวเองนะด้วยความรู้สึกที่เป็นมิตรคำว่าเมตตาคำว่ามิตรคำว่าไมตรีคำเดียวกันนะงั้นเรามองคนอื่นในแง่ดีมองเขาเขาเป็นอย่างนี้นะเขาดีอย่างนี้หรือมองคนอื่นด้วยความรักความสงสารมากขึ้นอะไรเงี้ยนะพอใจเรามีเมตตามากขึ้นสมาธิจะเกิดของคุณเจริญเมตตาไว้นะไปทำอย่างอื่นไม่ลงง่ายหรอ ครับครับขอบคุณครับต่อไปกับน้ำมันสการของพ่อครับคือเมื่อสุดสิบเดือนที่แล้วผมเริ่มดูกายผ่านมาห้าเดือนก็หลุดที่เคยติดเพ่งอยู่ใจที่เคยมีความหดหู่เป็นพื้นเนี่ยก็หายไปเออดีแล้วก็แต่ตอนนี้คือเห็นกิเลสตัวเองเยอะมากมจนตอนนี้คือรู้สึกละอายว่าตักิเลสเยอะขึ้นเห็นไหมเพรเรามีสตินะเราก็เกิดทีริโอ ต, ตปะเห็นไหมเราละอาย ต่อเกเรตเรากลัวผลของการทําบาปเมื่อมีหีริโอตปะศีลจะเกิดขึ้นนะอัตโนมัติเลยงั้นการที่ควรฝึกเนี่ยที่หลวงพ่อพูดเมื่อตกี้ตอนเช้าใช่ไหมมีสติแล้วมีศีลว่ามีสติแล้วทําไมมีศีลได้มันเกิดฮีริโอตปะขึ้นมานะดีฝึกไปอีกทีนี้เหมือนเหมือ น, นปัญญายังไม่ค่อยเดินนะฮะเพราะว่านอกจากนี้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรอีกแล้วน่าต้องค่อยแยกไกนะนะ คุณดูร่างกายที่เคลื่อนไหวของคุณของเก่าที่ทํามาเนี่ยทำสมาธิมามากเมื่อทําสมาธิมามากเนี่ยไปดูจิตมันจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่งๆิ่งว่างๆ่งนั้นคุณดูกายเป็นหลักไว้เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะกายเป็นของถูกรู้ถูกดูค่อยๆหัดแยกกายแยกใจไปด้วยการเดินปัญญาจะทําไม่ได้ถ้าไม่แยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจนะพอยแยกไปร่างกายที่หายใจอยู่นี่ตัวหนึ่งใจเป็นแค่คนดูฝึกดูสบายๆนะตอนนี้แข็งไป ดูให้สบายดูด้วยใจที่สบายเห็นร่างกายหายใจเปนะใจเราสบายๆเป็นแค่คนดูนะไปลองตัวนี้ดูนะมีตรงอื่นที่ต้องที่บอกพร้อมอีกไหมครับระวังเพ่งเท่านั้นแหละนะมันยังพร้อมจะเพ่งจงใจแรงไปขอบพระคุณครับกราบนรรส ก, การ์พระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีมีปัญหาสงสัยเรื่องว่าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วขณะที่เรานั่งสมาธินี้เรา นั่งแบบเบาเบาสบายสบายแล้วมีตัวผู้รู้รอยู่เฉยเฉยในสภาวะธรรมที่ไหลไหลผ่านเข้ามานะเจ้าคะแล้วเรารู้มันเฉยเฉยแล้วบางทีบางครั้งก็จะเบ า, าเคลิมคล่ำคล้ายๆจะง่วงแต่มันไม่ใช่ง่วงอ่ะไม่เป็นไรนะ<ม>เป็นยังไงก็รู้ไปไม่ไม่ถือว่าเป็นการเคลิมใช่ไหมเจ้าคะ เ, ออเวลาจิตจะรวมนาบางทีมันตัด กระแสการรับรู้ภายนอกนะแต่ว่าไม่ขาดสตินะไม่ขาดออรู้ตัวอยู่ตลอดมันจะรู้ตัวแบบเบาๆอ่ะเออรู้เบาเรู้สบายๆรู้กนุ่มกระหนิงเจ้าค่ะแล้วของคุณนะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นเจ้าค่ะเบาไปตอนอยู่ในเอลียบทสนี่เบาไปเหรอเจ้าค่ะขนาดนี้จิตใจรู้สึกไหมล่องลอยไปรู้ตัวให้กระชับกระเชงกว่านี้ให้แรงกว่านี้นิดนึงแต่ไม่ใช่เพ่งแรงๆเครียดนะตอนนี้เบาเกินไป มันล่องลอยไปแล้วลขณะที่โยมนั่งสมาธิที่มีสติแล้วมันเบาๆเคริ้มหรืออะไรนี่ทําถูกก็ยังเจ้าค่ะเคริ้มแต่เคริ้มมีสติอะไรเจ้าค่ะแล้เคลิ้มมีสติได้นะแต่พอออกมาแล้วก็ต้องเลิกเคลิ้มนะเนี่ยมันติดไอ้เคลิ้มนั้นออกมาอยู่ข้างนอกนี่ยนะเจ้ค่ะนึกออกไหมมันไปติดไอ้ความรู้สึกเคริ้มๆมาอยู่ข้างนอกนี้ด้วยอย่าเไว้นะทิ้งมันไปรู้สึกตัวให้ชัดๆขึ้นมาเจ้าค่ะแต่แต่รู้สึกตัวต้องเข้มแข็งเจ้าค่ะนะ อีกเรื่องหนึ่งค่ะขณะที่ที่เราเราอยู่ในอิรยาบท์สี่นี้ เ, นเราเราจะเข้าใจในสภาวะธรรมที่มันที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เข้ามาและสุขท้ายเราจเกิดไหมจิตถลำไปหมดละ <c oughs> จิตไม่ตั้ง ม, <c oughs> มั่นหลวมไหมตัวนี้เรคือปัญหาของคุณนคะค รู้สึกไหมตอนที่เล่าเล่าจิตไหลไๆๆไปแล้วเราลืมตัวตัวนี้แหละคือปัญหาของคุณจำไว้นะคือจิตไม่มีแรงที่จะตั้งมั่นอยู่จิตมันไหลเคลิ้มไปด้วยแบบนี้เราจะแก้ยังไงเจ้าคะรู้ทันมันไวๆอยากจะตามใจมันของคุณพอใจที่จะไหลด้วยไหลไปแล้วเออเอ็นจอยดีอะไรยไม่ได้นะต้องรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นมาอย่าให้ไหลไปอ่ะต่อไปทานมรสการค่ะ คราวที่แล้วหนูมาส่งพระอาจารย์บอกว่าหนูติดเพ่งเยอะมากอะคะอ่ะหนูก็พยายามปล่อยแล้วมันก็ก็มาเพ่งเองบ้างอย่างนี้คะ่ะเพ่งเองไม่เป็นไรนะตอนนี้ที่ที่รู้อารมณ์อยู่เนี่ยก็เห็นว่าจิตมันไม่ตั้งมัน่นแล้วมันก็ไหลไปเกาะกับอารมณ์อะคะ่ะหนูไม่แน่ใจว่ามันไปกดด้วยหรือเปล่าอะคะ่ะตอนนี้มันกดเพราะกลัวหลวงพ่อะนะแต่อยู่ข้างนอกเนี่ยจิตยังไหลอยู่ให้รู้ทันว่าจิตไหลจิตยังไม่ตั้งมั่นรู้เฉยๆอย่าบังคับไว้ ถ้าบังคับเมื่อไหร่ใจจะแน่นถ้าแน่นๆมันก็หยุดเลยทําผิดละแล้วหลังจากนั้นมันก็จะไม่เป็นกลางอะคะ่ะเดี๋ยวไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางใช้ได้เรามันก็จะฟุ้งซ่านไปเลยฟงเรานรู้ว่าฟานเวีานอยู่อย่างนั้นนะคะถ้าถ้าฟุ้งซ่านมากดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วบริกรรมไว้ก็ได้พุทโธทำโมสังโฆอะไรก็ได้นะให้ใจมีเครื่องอยู่มันจะสงบลงมาค่ะแล้วอยากจะถามว่าการที่เราฝึกแยกแยกกายแยกจิตอย่างเงี้ยค่ะมัน มันจะทราบได้ไงว่าอันนี้คือแยกอยู่หรือว่าไปประคองเอาไว้อะคะออถ้าประคองไว้ใจจะแน่นสิแต่ถ้าแยกเองนะมันจะเห็นเลยเหมือนร่างกายเนี้ยอยู่ห่างๆ เ, เห็นร่างกายอยู่ห่างๆนะ เ, ออเห็นความสุขความทุกข์อยู่ห่างๆเห็นกิเลสอยู่ห่างๆเนี้ยใจก็เกิดดับไปเรื่อยอ อ, อยากขอวิหารธรรมกับคําแนะนําเพิ่มเติมค่ะดูจิตไปเรื่อยนะค่ะแล้วถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะบริกรรมช่วยมันนิดหนึ่งไม่งั้นดูจิตอย่างเดียวแล้วล่องรอยไป แต่<อ>ถ้าบริกรรมไม่สะดวกบริกรรมแล้วอึดอัดก็ใช้อย่างอื่นนะฮะลมกรรมฐานมาสักอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิตคือก็เคยลองหายใจดูค่ะแต่รู้สึกว่าพอเริ่มหายใจปุ๊บมันก็จะเริ่มไปบังคับอะค่ะเกิรู้ทันว่าบังคับ<อ>นะแล้วก็รู้ด้วยความผ่อนคลายไปค่ะค่ะค่ักอ่าต่อไปค่ะกับนรมาสการหลวงพ่อค่ะก็โยมมาส่งการบ้านนะคะยังไม่เคยส่งครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ดูความรู้สึกอะคะ่ะ ก็กลับไปก็ลองดูความรู้สึกก็รู้สึกว่าแบบบางวันก็โกรธบางวันก็พอใจไม่พอใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาบางทีอย่างสมมุติมีคนพูดอะไรไม่ดีค่ะเราก็รู้สึกแบบโกรธขึ้นมาแล้วบางทีอยากจะพูดหรือเถียงเงี้ยค่ะมันก็จะแบบหยุดแล้วก็จะแบบนี่แหละรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆนะมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธมันอยากจะเถียงรู้ว่าอยากเถียงมันอยากด่ารู้ว่าอยากด่าเน่รู้ทันมันด้วยดูมันทํางานเหมือนเห็นคนอื่นเหมือนเห็นคนอื่นกําลังโกรธ ดูอย่างนั้นเรื่อยๆดูมันดูคนอื่นอ่ะดูกายนี้เหมือนดูคนอื่นดูจิตนี้เหมือนดูคนอื่นนะอย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อถูกเหมือนกันแหละเกรงใจที่จะบอกขยันกว่านี้นะยังขี้เกียจอยู่ก็ดูดูต่อไปใช่ไหมดูบ่อยๆนะดูสึกบ่อยๆนะขอบคุณค่ะดูน้อยไปนิดหน่อยพูดเอาใจนิดหน่อยครับกับกบพระอาจารย์ครับเออมีเรื่องจะถามอาจารย์ ให้อาจารย์ช่วย2เรื่องครอาจารย์คื อ, อปฏิบัติแบบแบบที่ในวิธีของพระอาจารย์มาสองปีแล้วไม่ทราบว่าวตอนนี้อาจารย์มีข้อแนะนําอะไรให้กับผมพัฒนาไหมอย่างเพ่งอยู่ไหมก็ไม่ไม่ค่อยเพ่งเท่าไหร่รู้จักเพ่งยังยังไม่แน่ใจฮะเวลาเราเพ่งนะคือเริ่มต้นต้องยากอยา ก, ยา ก, ยา ก, ยากปฏิบัติอยากดูแล้วนะพอมีความอยากแล้วจิตจะกระโจนเขาไปจับอารมณ์นหนึ่งไว้แล้วก็ไปจ้องอยู่อย่างนี้นะ ใจก็จะนิ่งๆิ่งทื่อๆขึ้นมานของคุณจะมีตัวนี้อยู่นะนี้คอยรู้ทันใจที่ไปเกาะอารมณ์นิ่งๆิ่งอยู่หมดยังหมดแล้วนะหมดแล้วเอาเท่านี้ก็แล้วกันเดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปเชียงใหม่มีงานเทศหลายแห่งเลยวันนี้ก็ญาติธรรมได้นำของเพระอปัจจัยมาถวายนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพวกเรากราบคําถวายนะครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทยธรรมกับสินของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดครับพรเพื่อปะ okay. ระโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว สามเส้นกาลลนานเทิ น, น, น, น, ทนยถาวาริวะหาปูราปริภูเรนตีสคาคารังเอวเมวัยตัวทินังเปตาทินังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจฉตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจั น, ทนาาโาทปันราโสยถามณิโชธิลาโสยถ า, าสัพพิติโยวิวัตชันตูสภโรคโควินสัสตู มาเตผวัตวันตาลาโยสุขีทีคายุโกภาะะอาปีวาธนาศีเลสนิตจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขขังพระลังก่อนหลวงพ่อจะมาคุยกับพวกเรานี้นะหลวงพ่อขอพบกรรมการศาลาลุงชินเนี่ยนะถามกรรมการว่าพออย่างมาเทศสามปีกว่ากรรมการบอกอยัง <laughs> งั้นปีหน้ายัางมีอีกนะ